จเจริญตอนทุกๆท่านท้องนิมโตไปวันธรรมดาใครไม่เคยฟังหลวงพ่อเทศ์มีบ้างไหมลองยกมือนะไม่ไม่เคยเลยไม่เคยฟังซีดีไม่เคยอ่านหนังสืออะไรเงี้ยมีไหมนะมีไม่มากนะวันนี้เทศ์ไม่ยากมากนะ การปฏิบัติธรรมนะเป็นมรดกสำคัญนะของมนุษยชาติเยพระพุทธเจ้าท่านประทานให้พวกเราไว้พวกเรามีหน้าที่ศึกษาสิ่งที่ท่านสอนถ้าเราศึกษาได้ธรรมะเข้ามาสู่หัวใจของเราได้นะชีวิตจิตใจของเราเปลี่ยนคนในศาสนาอื่นเขาก็ถึงขนาดออกปากกันนะ วาอามาฟังพระสมณโคโดมเทศนะพระสมณโคโดมมีมวลเปลี่ยนใจใครฟังพระพุทธเจ้าเทศเนี่ยเปลี่ยนจากความเชื่อเก่าๆมาสู่คําสอนของท่าน น, นับจํานวนไม่ท้วนทําไมท่านมีมว์เปลี่ยนใจไม่ใช่มวลอะไรหรอกมันเป็นความสมเหตุสมผลในคําสอนของท่านคําสอนของท่านเป็นความจริงแล้วก็มีประโยชน์ ไม่ใช่เป็นความจริงมีประโยชน์เลืเ่อนๆลอยๆนะ ม, มีประโยชน์จริงๆเราสามารถรู้เห็นตามคำสอนของท่านได้ถ้าได้ศึกษาแล้วลงมือปฏิบัติปฏิบัติทำให้สมควรจะทำธรรมะจะเข้าสู่ใจของเราถ้าธรรมะเข้ามาสู่จิตใจของเราแล้วชีวิตเราเปลี่ยนจิตใจเราเปลี่ยนความคิดก็เปลี่ยนความรู้สึกนกคิดเปลี่ยนไปหมดเลย เปลี่ยนจากคนที่เห็นแก่ตัวนะมาเป็นคนซึ่งไม่เห็นแก่ตัวในโลกมันเต็มไปด้วยการเบียดเบียนกันเห็นแก่ตัวถ้าเราเรียนธรรมะแล้วถอดถอนความเห็นผิดถอดถอนความยึดถือว่ามีตัวมีตนออกไปชีวิตจะเปลี่ยนมีความสุขมากเลยเราสามารถมีความสุขได้ตั้งแต่ยังไม่ตายไม่ใช่ว่าต้องรอปรินิพพานก่อนแล้วถึงจะมีความสุข ธรรมะของพระพุทธเจ้าน่าอัศจรรย์สามารถทําให้เรามีความสุขได้ตั้งแต่ปัจจุบันไม่ต้องรออนาคตนะไม่ต้องรอให้ตายไปก่อนแล้วถึงจะมีความสุขเราสามารถมีความสุขอยู่ในปัจจุบันได้ทุกวันนี้ความสุขเป็นของที่หายากความสุขเนี่ยขาดแคลนที่สุดเลยไปที่ไหนที่ไหนนะเห็นแต่คนหน้าดำคลําเครียดนน่าสงสารมากเลยเมื่อก่อนหลวงพ่อทำงานอยู่ใกล้ๆที่เนี่ย ก่อนทำงานอยู่องค์การโทรศัพท์เทลาออกไปบวชไม่เจอเพื่อนเก่าๆลูกน้องบ้างเพื่อนบ้างอะไรเงี้ยไม่เจอกันนานวันหนึ่งไปงานศพนะไปเจอกันเข้าโอ้แต่ละคนนะทั้งแก่ทั้งเหี่ยวทั้งดำนะทั้งมืดนะหาความสุขไม่ได้เลยชีวิตในโลกนะี้หาความสุขยากยากเนี่ย ถ้าเราเข้าใจธรรมะแล้วเรามีความสุขได้ในท่ามกลางความวุ่นวายของโลกโลกจะวุ่นวายขนาดไหนนะบ้านเมืองวุ่นวายขนาดไหนนะเราสามารถมีความสุขอยู่ได้ท่ามกลางความวุ่นวายมีความสงบร่มเย็ยนอยู่ได้ท่ามกลางความ ร, าร้อนนี่ทำยังไงเราจะได้ริมรสชาติของธรรมะจะไม่ได้เป็นชาวพุทธแต่ชื่อเราเป็นชาวพุทธแท้ๆชาวพุทธที่ มีความเป็นพุทธะอยู่ในใจของเราจริงๆการปฏิบัติธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนให้เรานั้นไม่ใช่เรื่องยากอะไรไม่ยากเลยเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดานี่เองมันยากเพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่เคยได้ยินหรือคนส่วนใหญ่นึกไม่ถึงว่าจะง่ายขนาดนั้นอย่างคนในโลกอยากได้ความสุขวิธีได้ความสุขของคนในโลกก็คือต้องหนีความทุกข์ให้ได้ ทำไงต้องเกลียดความทุกข์นะไม่อยากให้พบไม่อยากให้เจอความทุกข์ถ้าหนีความทุกข์ไปได้แล้วถือว่าจะได้มีความสุขนี่พระพุทธเจ้ากับสอนให้เรารู้ทุกข์นะแทนที่จะสอนให้หนีหนีทุกข์ไปสอนให้รู้ทุกข์นี่คำสอนของท่านเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นคำสอนที่เรียบง่ายนะแต่เข้าใจมันฝืนความรู้สึกมันเข้าใจยากในความรู้สึกของคนซึ่งอัตตาแรงเซจัดออัตตาแรงอนะนี้ ทั้งๆ ท, ที่ของง่ายเลยกลายเป็นของที่รับได้ยากนะมีอะไรที่ฝืนความรู้สึกคนของคนทั่วๆไปนะแต่ถ้าเราลงมือปฏิบัติจริงๆเราจะพบว่าโอ้อัศจรรย์มากเลยอย่างการรู้ทุกข์นะี่ทำไมทาให้เราพ้นทุกข์ได้การหนีทุกข์พวกเราก็หนีทุกข์มาตั้งแต่เกิดหนีทุกข์มาตั้งแต่เด็กทำไมมันหนีไม่รอด พระพุทธเจ้าน่าอัศจรรย์มากคำสอนของท่านท่านสอนให้รู้ทุกข์ไม่ได้สอนให้เราหนีทุกข์ไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนท่านใครๆก็เกลียดทุกข์ทั้งนั้นท่านกลับให้หันไปเผชิญหน้ากับมันทุกข์อยู่ที่ไหนทุกข์อยู่ที่กายเรียนรู้ลงที่กายทุกข์อยู่ที่ใจเรียนรู้ลงที่ใจก็เรียนรู้อยู่ที่กายที่ใจของเราเองมากๆ น, นี่แหละเป็นที่ที่จะเรียนละ เรียนธรรมะนะเรียนอยู่ที่กายที่ใจมหาวิทยาลัยเราไม่ได้อยู่ที่ไหนนะการปฏิบัติธรรมมันคล้ายๆเรียนมสทนะอยู่บ้านก็เรียนได้ไม่ต้องเดินทางมาถึงที่นี่หรอกหมายถึงไม่ต้องไปเข้าวัดก็เรียนได้อยู่ที่ไหนก็เรียนได้นะงั้นหลักสูตรของพระพุทธเจ้านะก็คอนเซปต์คล้ายๆของมอสทนี่เองนะอยู่ตรงไหนก็ได้ขอให้เรียนเทนาา่านั้นถ้าสอบได้ก็พนทุกไป เข้าใจสิ่งที่ท่านสอนก็พ้นทุกข์ไปนี่ถามว่าเราจะทำยังไงนะเราจะมาเรียนรู้ทุกข์เนี่ยเราจะทำยังไงขั้นแรกสุดเลยเราต้องรู้สึกตัวให้เป็นก่อนคนในโลกไม่รู้สึกตัวเนี่ยมันมันพ่ายแพ้ตั้งแต่ยกแรกแล้วในโลกไม่มีคนรู้สึกตัวนะมีแต่คนหลงคนใจลอยคนฟุ้งซ่านหาคนที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะหาแทบไม่ได้เลยสมัยก่อนนี่หายากมากนะ กระทั่งในวัดแต่ละแห่งวัดแต่ละแห่งบางทีมีครูบาอาจารย์ดีนะแต่มีคนรู้สึกตัวขึ้นมานะที่ลรคนสองคนยังหายากเลยนานแล้วประมาณเกือบสาสิปีหลวงพ่อสอนเพื่อนๆไว้กลุ่มหนึ่งสอนไม่ได้พอนาอะไรมากมายนะแค่เขาเริ่มรู้สึกตัวเป็นเนทะ่านั้นพอรู้สึกตัวเป็นแนละ้วพากันไปหาครูบาอาจารย์เช่ารถตู้ันไปสิบคนสิบเอ็ดคนอนะไรอย่างมาก เข้าไปวัดบางแห่งครูบาอาจารย์ท่านจิตไหวก็วเข้าไปปั๊บนะท่านหันกลับเลยอุทานนะมันไปรวมกันมาได้ขนาดนี้มารวมได้ยังไงตั้งสิบคนเไงฟังแล้วน่าตกใจนะชาวพุทธมีตั้งกี่ล้านบอกว่าหาคนรวมกันมาภาวนาตื่นขึ้นมานะรู้สึกตัวขึ้นมาสิบคนเนะี่ยเป็นเรื่องที่น่าอาจจัศจรรย์ละมันน้อยจริงๆนะคนในโลกที่ตื่นแล้วนะในโลกมันมีแต่คนหลับคนฝันคนหลง จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวล่องรอยตลอดวันตลอดคืนกลางคืนก็ฝันกลางวันก็ฝันฝันทั้งๆ ท, ที่ตื่นนี่แหละคือใจมันหนีไปใจมันไม่อยู่กับตัวเองงั้นถ้าเราจะมาเรียนรู้ทุกนะตัวทุกก็ทุกมันอยู่ที่กายทุกมันอยู่ที่ใจเราต้องมาเรียนที่กายที่ใจแต่ถ้าเราใจลอยเสอย่างเดียวนะเราไม่รู้จะไปเรียนที่ไหนละไม่สามารถรู้กายรู้ใจได้ก็ไม่สามารถรู้ทุกได้เพราทุกอยู่ที่กายที่ใจ เราลองนึกดูตั้งแต่เราเด็กๆมานะตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงปัจจุบันถ้าเราไม่ได้เคยภาวนาเราจะพบว่าใจของเราหลงตลอดเลยใจเราหนีไปคิดตลอดเวลาเราไปอยู่ในโลกของความคิดคิดเรื่องโ น, น้นคิดเรื่องนี้ไปเรื่อยๆนะเราไม่เคยรู้สึกตัวร่างกายเราเคลื่อนไหวเราไม่เคยรู้สึกจิตใจเราเป็นสุขจิตใจเราเป็นทุกข์เราก็ไม่รู้จิตใจจะเป็นกุศลจิตใจจะโลภจะโกรธจะหลงเราก็ไม่เคยรู้นะ มีแต่ความไม่รู้จักตัวเองตลอดเวลาหาคนที่จะมาเรียนตัวเองนะมารู้ตัวเองมาเรียนตัวเองเนะี่ยหายากที่สุดเลยงั้นขั้นแรกเลยก่อนที่เราจะมาเรียนรู้ทุกได้นะเราต้องรู้สึกตัวให้เป็นก่อนถ้าเราใจลอยซะอย่างเดียวเรามีร่างกายเราก็ลืมร่างกายเรามีจิตใจเราก็ลืมจิตใจเมื่อลืมกายลืมใจก็ไม่สามารถเรียนรู้กายรู้ใจได้เพนะราะทุก์มันอยู่ที่กายเราไม่ดูกายเราก็ไม่เห็นทุก ทุกมันอยู่ที่ใจเราไม่ดูใจเราก็ไม่เห็นทุกก็เห็นอะไรเห็นแต่ของข้างนอกเห็นรูปข้างนอกได้ยินเสียงข้างนอกนั้นได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสต่างๆจากภายนอกื่อทีใจก็หลงไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งนะจิตหนไีไปคิดไปรู้แต่เรื่องราวที่คิดไม่ได้รู้กายไม่ได้รู้ใจของเราเองเวลาดูก็หลงไปดูเวลาฟังก็หลงไปฟัง เวลาคิดก็หลงไปคิดมีแต่เรื่องลืมตัวเองคำว่าหลงก็คือลืมกายลืมใจของเราเองนั่นเองพวกเราเนึกออกัหมเวลาเราตั้งใจทำงานเราลืมกายลืมใจนึกออกไหมเวลาเราจดจ่อกับการทำงานหรือจดจ่อกับเรื่องราวที่คิดนั้นเมื่อไหร่ลืมกายเมื่อไหร่ลืมใจนะเมื่อ น, นั้นเราเรียกว่าขาดสติละเราอาจจะมีสติอย่างโลกโลกขับรถไม่ชนกับใครทางานเก่งนะคิดอะไรงาน เก่งกว่าคนอื่นนะฉลาดเลือกซึ่งแหลมคมกว่าคนอื่นแต่มันไปเป็นเรื่องอื่นๆซะมันไม่ใช่เรื่องกายเรื่องใจของเราเองทุกคนรักตัวเองมากที่สุดนะแต่ทุกคนก็ทิ้งตัวเองมากที่สุดแทนที่จะสนใจอยู่ที่กายที่ใจของเราเนี่ยจิตใจของเราล่องลอยหนีไปตลอดเวลาเราต้องพยายามให้จิตใจกลับมาอยู่กับตัวเอง ร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกถ้าทำอย่างนี้ได้เราจึงจะเรียนรู้ทุกที่กายที่ใจนี้ได้ทำยังไงจิตใจเราจะกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจไม่ล่องลอยนะตัวนี้สำคัญมากถ้าเรายังจิตใจล่องลอยจิตใจลืมเนื้อลืมตัวอยู่เราไม่สามารถปฏิบัติธรรมไดนะ้เราไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้นะเราทาได้เหมือนกันแต่ธรรมะเบื้องต้นเช่นทาทานรักษาศีล พอจะลืมกายลืมใจได้นะทำทานรักษาศีลนั่งสมาธินั่งสมาธิบ ท, ทีลืมโลกเลยจิตสงบอยู่ในอารมณ์ันเดียวหายใจไปก็จิตไปอยู่กับลมหายใจลืมโลกไปลืมกายลืมใจลืมทุกสิ่งทุกอย่างโลกนี้เหลือแต่แสงสว่างจิตไปอยู่กับแสงสว่างลมหายใจนี่นะถ้าหายใจไปเรื่อยแล้วจิตสงบนะลมหายใจจะค่อยสั้นขึ้นสั้นขึ้นในสุดรวมเป็นดวงขึ้นมาเป็นดวงสว่างขึ้นมา ถ้จิตเราไปอยู่กับดวงสว่างนี่รู้สึกว่าดีได้สมาธิขึ้นมาในความเป็นจริงเราลืมกายลืมใจไปนะดังนั้นถึงจะทํา ท, ทานถึงจะรักษาศีลถึงจะไปนั่งสมาธิสงบแค่ไหนนะมันก็ยังลืมกายลืมใจมันยังเดินปัญญาไม่ได้นะเราจะต้องมาฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะวิธีที่จะฝึกไม่ยากอย่างที่คิดหรอกคอยรู้สึกคอยรู้ทันเวลาจิตหลงไปคิด ถ้าจิตลงไปคิดเรารู้ทันเมื่อไรนะจิตใจจะหลุดออกจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวโดยอัตโนมัติไม่ต้องเชื้อเชิญไม่ต้องออกคำสั่งไม่ต้องบังคับนะอย่างจิตใจมันจะล่องลอยเราจะเชิญจงกลับมาจงกลับมาไม่มาหรอกนะ่าไปบังคับให้มันรู้สึกตัวมันก็ไม่รู้สึกหรอกนะเราต้องค่อยฝึกนะวิธีฝึกเบื้องต้นถ้าอยากจะฝึกให้ดี ทำได้สะดวกทำได้เข้มข้นนะทำได้อย่างกระชับกระเฉงหาอารมณ์กรรมาฐานขึ้นมาสักอันหนึ่งก่อนคนไหนจะพุโทโธก็ได้นะถนัดพุดโทโธเราก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปนะแต่ไม่ใช่พุโทโธเป็นนกแก้วนกขนทองไม่ใช่พุโทโธให้จิตสงบนะเราพุโทโธแล้วคอยรู้ทันจิตที่หนีผิคิตนะเปลี่ยนจากตรงนี้นิดเดียวนะแต่เดิมเราอาจจะพุโทโธเพื่อให้จิตสงบ พุโทโธให้จิตสงบได้สมถกรรมฐานก็ดีเหมือนกันดีกว่าฟุ้งซ่านแต่ถ้าจะขยับขึ้นมาสู่การเรียนรู้ตัวเองเนี่ยเราต้องปรับวิธีพุโทโธใหม่พุโทโธพุธโทโธจิตแอบไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันพอรู้ทันแล้วก็กลับมาอยู่กับพุโทโธใหม่พุโทโธพุธโทโธพุทโธจิตไปนิ่งเฉยขึ้นมาอีกแล้วรู้ทันว่าจิตไหลหหไปอยู่กับความว่างๆนิ่งๆเนี่ยพอรู้ทันจิตที่ไหลไปจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมันจะเกิดขึ้นเอง หรือเราหัดรู้ลมหายใจคนไหนชอบรู้ลมหายใจไม่ใช่หายใจจนเกิดปฏิภาคนิมิตเป็นดวงสว่างอันนั้นเราไปเล่นสมถะเล่นเข้าฌานเล่นนะเกิดกระสินเกิดอะไรพวกนั้นแทนที่เราจะทำไปเพื่อความสงบอย่างเดียวเรามาฝึกหัดหายใจออกหายใจเข้าด้วยความรู้สึกตัวหายใจไปแล้วจิตหนีไปคิดรู้ทันว่าจิตหนีไปคิด หายใจแล้วจิตไปเพ่งอยู่ที่ลมหายใจรู้ว่าจิตไปเพ่งอยู่ที่ลมหายใจนะหายใจไปจิตไปคิดก็รู้จิตมาเพ่งอยู่ที่ลมหายใจก็รู้หัดรู้ทันจิตบ่อยๆนะหรือคนไหนชอบดูท้องพองยุบเราก็มาดูท้องพองยุบแต่ไม่ได้ดูให้จิตไปเกาะนิ่งๆอยู่ที่ท้องนะถ้าดูแล้วจิตไปเกาะนิ่งอยู่ที่ท้องก็เป็นสมะถะกรรมฐา น, านเราดูใหม่เราเห็นท้องพองท้องยุบนะแล้วก็ ถ้าจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นเราก็รู้ทันจิตไหลไปเพ่งอยู่ที่ท้องเราก็รู้ทันค่อยรู้ทันจิตตนเองไปการปฏิบัติทำนะในขั้นที่จะฝึกให้เกิดสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยมันอยู่ในบทเรียนที่พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าจิตศติกขาใช่ชื่อมันบอกว่าจิตศติกขาเราต้องเรียนรู้จิต อย่างบางคนบอกว่าไม่ชอบเลยหลวงพ่อประโมทมาสอนเรื่องจิตทำไมไม่สอนเรื่องกายต้องเรียนเรื่องจิตก่อนถ้าไม่มีจิตที่ถูกต้องเนี่ยจะไม่มีคุณภาพพอที่จะไปเรียนรู้กายหรือเรียนรู้เวทนาหรือเรียนรู้จิตหรือเรียนรู้ธรรมเรียนรู้อะไรไม่ได้หรอกถ้าจิตไม่มีคุณภาพพอการจะไปเรียนรู้ให้เห็นความจริงของกายของเวทนาของจิตของธรรมนั้นเป็นขั้นของการเจริญปัญญาชื่อว่าปัญญาสิกขา ก่อนที่จะก้าวไปสู่ขั้นการเจริญปัญญานะเราต้องมาฝึกจิตของเราให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นเส ก, ก่อนบทเรียนในการฝึกจิตให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี้แหละพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าจิตศิกขาพวกเราเคยได้ยินคําว่าไตรศิกขาไหมถ้าชาวพุทธไม่มีไตรศิกขาใช้ไม่ได้เลยนะไม่ใช่ชาวพุทธเลยเป็นชาวพุทธแต่ชื่อไนะตรศึกขาเนี่ยมีบทเรียน3บทศิกศึกขาก็คือคําว่าศึกษานั่นเอง มีสิ่งที่ชาวพุทธจะต้องศึกษา3มเรื่องนะเรื่องที่1ชื่อศีลสิกขาเรื่องที่2ชื่อจิ ต, ตสิกขาเรื่องที่3เรื่องปัญญาสิกขาศีลสิกขาเนะี่ยพวกเราตัง้งตั้งใจรักษาศีลไว้ก่อนนะต่อไปเราก็มีสติคอยรู้ทันจิตถ้ากิเลสเกิดที่จิตรู้ทันกิเลสเกิดที่จิตรู้ทันเราจะได้ศีลอีกชนิดหนึ่งเป็นศีลอัตโนมัตินะอันนี้เรื่องศีล น, นะถัดจากเรื่องศีลก็มาฝึกเรื่องจิต มาเรียนเรื่องจิตพุทโธไปจิตไหลไปคิดรู้ทันพุทโธไปจิตไปเพ่งนิ่งๆอยู่รู้ทันหายใจไปจิตไหลไปคิดรู้ทันนะจิตไปเพ่งลมหายใจนิ่งๆอยู่รู้ทันดูท้องพองยุบไปจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งท้องรู้ทันเดินจงกรมอยู่จิตหนีไปคิดรู้ทันนะจิตไปเพ่งอยู่ที่เท้าก็รู้ทันค่อยรู้ทันจิตของตัวเองบ่อยๆนะ จ <moż> ิตหนีไปคิดเนี่ยตัวร้ายที่สุดเลยถ้าเมื่อไรจิตหนีไปคิดเราจะลืมกายลืมใจมีกายก็ลืมไปมีใจก็ลืมไปเนี่ยตัวร้ายที่สุดเลยศัตรูเบอร์หนึ่งเลยนะคือลืมกายลืมใจจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวศัตรูเบอร์สองก็คือการเพ่งกายเพ่งใจเพ่งกายเพ่งใจเนี่ยจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแต่อยู่แบบลำบากอยู่แบบแข็งแข็งแน่นๆแข็งแข็งซึมๆทื่อ จิตที่แน่นจิตที่แข็งจิตที่ซึมจิตที่ทื่อเป็นอกุศลจิตนะไม่ใช่จิตที่ดีเป็นจิตที่ไม่มีคุณภาพในการที่จะเรียนรู้ความจริงของกายของใจไม่สามารถเรียนรู้ทุกซึ่งปรากฏอยู่ที่กายที่ใจได้เดี๋เราต้องมาเรียนจิตของเราให้ดีซะก่อนหัดไปพุทโธไปหายใจไปนะจิตไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งอยู่ก็รู้รู้เฉยๆอย่าไปว่ามันนะไม่ใช่ภาวนาแล้วห้ามจิตไปคิดนะไม่ห้าม จิตนี้ไปคิดแล้วรู้จิตนี้ไปคิดแล้วรู้เบื้องต้นฝึกอันนี้ให้ได้ก่อนตอนที่หลงพ่อหัดภาวนาะหลวงพ่อหัดสมาธิมาตั้งแต่เด็กทำแต่สมถะ22ปีหวังว่าวันหนึ่งจะเกิดปัญญาเกิดมรรคเกิดผลเกิดนิพพานอะไรเงี้ยไม่ได้กินเลยนะใช้เวลาไป22ปีได้แต่ความสงบได้ของเล่นของจริงไม่มีมีแต่ของเล่นเล่นโน้นเล่นนี่นะ ฟุ้งซ่านไม่ดีจิตออกนอกเที่ยวดูโ น, น่นดูนี่อะไรเงี้ยเห็นต่ออะไรซึ่งไม่ดีแทนที่เราจะเห็นกายเห็นใจของตัวเองมันเห็นออกข้างนอกไปไปดูผีดูอะไรเงี้ยซึ่งเราจะไปเห็นจริงหรือเปล่าความรู้จิตอจาจจะหลอนก็ได้นะเชื่อถืออะไรไม่ได้เนี่ยเสียเวลาเปล่าๆอยู่อย่างเงี้ย2ี่สิบสองปีทำความสงบบางทีก็นิ่งเฉยว่างๆอยู่นั้นไปไหนไม่เป็นไปต่อไม่เป็น จำยีปีผ่านไปนะไปเจอหลวงพูดุลหนะลวงปูดุลสอนให้ดูจิตดูใจของตัวเองหลวงพ่อก็มาหัดดูจิตนะมาหาดัดดูดูไปจนทั่งจิตมันตื่นขึ้นมาจิตมันหลุดออกจากโลกของความคิดได้นะตอนที่จิตหลุดออกจาก ค, ความคิดเนะี่ยตอนนั้นทดลองดูลองสวดมนต์ดูพุโทโธสุสุทโธกรุณามหั่นนโวสวดมนต์นะแล้วเห็นว่าจิตมันคิดคําสวดมนต์ขึ้นมาจิตเป็นคนดูคําสวดมนต์เป็นสิ่งที่ถูกดูนะ จิตหลุดออกจากโลกของความคิดเลยนะคำส่วนมนก็คือความคิดนั่นเองนะทันทีที่เรารู้ว่าจิตคิดจิตรู้ก็เกิดอันนี้เป็นกฎเลยนะถ้าเมื่อไหร่รู้ว่าจิตคิดเนะมื่อนั้นจิตรู้จะเกิดจิตคิดจะดับไปจิตรู้จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติงั้นตัวนี้ตัวสำคัญเลยนะพวกเราหัดนะทุกๆวันทุกวั น, วนหัดพุดโทโธไปหัดหายใจไปวันหนึ่งสนาที15นาทีก็ยังดีไม่ต้องมากหรอก ไม่ใช่วันหนึ่งหลายๆชั่วโมงวันแรกสามชั่วโมงวันที่สองเหลือสองวันที่สามเหลือหนึ่งวันที่สี่เลิกไปเลยไม่จําเป็นนะเรามีเวลาหนาทีสินาทีเราก็มาซ้อมกินข้าวกลางวันเสร็จแล้วเหลือเวลาอีกนิดหน่อยนะมาซ้อมซ้อมฟุตโธซ้อมหายใจแล้วรู้ทันจิตที่หนีไปคิดสมัยก่อนหลวงพ่ออยู่ทำเนียบรัฐบาลกลางวันกินข้าวแล้ววันไหนว่างหน่อยนะมีเวลานิดนิ ด, น ด, นดหน่อยหนก็จะภาวนา เดินจงกลมบ้างเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูก็มีใจเป็นคนดูนั่งหายใจไปใจเป็นคนดูใจหนีไปคิดก็รู้ทันใจหนีไปคิดก็รู้ทันใจไปเพ่งก็รู้ทันเนีฝึกอยู่อย่างนี้ฝึกทุกวันทุกวันนะฝึกไปเรื่อยในสุดใจของเราจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาพอเราได้ใจที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วใจตัวนี้จะเป็นใจที่อยู่กับเนื้อกับตัวไม่ใช่ตัวประหลาดอะไรนะไม่ใช่ของหายากอะไร ทุกคนถ้าจะทำก็ทำได้หลวงปูดุลเคยสอนหลวงพ่อนะประโยคแรกที่ท่านสอนเลยบอกว่าการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัตินะเป็นเรื่องจริงนะการปฏิบัติไม่ยากอะไรถ้าพวกเราตั้งใจที่จะลงมือปฏิบัติ ด, ดูหัดพุทโธหัดหายใจไปแล้วก็คอยรู้ทันจิตไปจิตนี้ไปคิดรู้ทันจิตนี้ไปเพ่งรู้ทันจิตเคลื่อนไปก็รู้ทันในสุดจิตไม่เคลื่อนไม่หนีจิตรู้เนื้อรู้ตัวตั้งมั่นอยู่ แต่อย่าตั้งแรงอย่าตั้งให้แข็งเกินไปตั้งสบายๆถ้าจงใจตั้งไม่ให้หนีเลยนะจะกลายเป็นเพ่งจ้องรุนแรงไปไม่ดีสุดโต่งไปข้างรุนแรงไม่ดีบังคับตัวเองแรงไปนะจิตหนีไปคิดนี่ก็สุดโตไปข้างหลงนะไม่ดีเราก็มารู้สึกตัวให้สบายรู้สึกตัวนะพอความรู้สึกตัวเกิดขึ้นได้แล้วถัดจากนั้นเรามาถึงขั้นสุดท้ายของการปฏิบัติแล้วเห็นไหมการปฏิบัติไม่มีอะไรมากเลย ขั้นแรกให้จิตใจอยู่กันเนื้อกับตัวรู้สึกตัวให้ได้ก่อนพอรู้สึกตัวได้คราวนี้มาถึงขั้นการเจริญปัญญาแลการเจริญปัญญาคือการเรียนรู้ความจริงของกายของใจของรูปของนามความจริงของกายของใจนั้นมันเป็นที่ตั้งของความทุกข์นะทุกข์อยู่ที่กายทุกข์อยู่ที่ใจนะแล้วถ้าดูได้มากเข้ามากเข้าย่ารู้ลึกซึ้งลงไปอีกตัวกายนั่นแหละตัวทุกข์ตัวใจนั่นแหละตัวทุกข์ไม่ใช่เป็นแค่ที่ตั้งของความทุกข์อย่างเดียวนะ ตัวมันเองเป็นตัวทุกข์ด้วยแต่เมื่อไหร่เราเห็นกายเป็นตัวทุกข์ได้นะั้นจะเป็นภูมิธรรมของพระอนาคามีถ้าเราเห็นจิตเป็นตัวทุกข์ได้ปล่อยวางจิตได้เป็นภูมิธรรมของพระอรหันตนะ์เพราะเรายังไม่เห็นหรอกเราเห็นแค่ว่าความทุกข์มันมาอยู่ในกายความทุกข์มันอยู่ในใจหัดดูแค่นี้ไปก่อนนะอย่าใจร้อนนะขึ้นต้นไม้ก็ขึ้นทางโคนนะค่อยๆขึ้นไปก็ไปถึงยอดขึ้นที่ยอดก็ตายเลยนะขึ้นไม่ได้อนะ วิธีที่เราจะมาเจริญปัญญามาเรียนรู้ความจริงของกายของใจมาเผชิญหน้ากับความทุกข์หนีมันมาตลอดนะแต่ถูกมันหลังแก่ตลอดเวลาหนีต่อไปไม่ได้แล้วต้องหันมาเผชิญหน้ากับมันเราจะมาะเผชิญหน้ากับตัวทุกข์เนี่ยด้วยจิตใจที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นแหละเพราะงั้นเราต้องมีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก่อนนะเราถึงจะมารู้ทุกข์ได้วิธีการนะไม่ยากอะไร เราคอยรู้ทันไปนะค่อยๆ อ, อันแรกเลยนะค่อยๆแยกแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนๆก่อนสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยถ้าแยกออกเป็นส่วนๆแล้วพระพุทธเจ้าสอน ม, มันแยกได้หส่วนคือคำว่าขันห้า น, นั่นเองคำว่าขันห้าฟังแล้วมันน่ากลัวบางคนได้ยินคาว่าขันห้าก็ไม่อยากภาวนาแล้วรู้สึกยากเกินไปคาว่าขันแต่ว่ากอง ในในนี้ก็มีกลองมัง้งในมหาวิทยาลัยมีไหมกองโน้นกลอง น, น, องนี้อย่างราชการเ้าก็มีกลองมี division มีกองในตัวเราเนี้ยก็มีกลองนะมีอยู่ห้ากองรวมเป็นหนึ่งตัวเนียหนึ่งกลมมั้งตัวก็กลมกลมหน่อยอย่างหลวงพ่อ น, นี่กลมใหญ่หน่อยพวกเราก็กลมย่อยย่อยแล้วมาแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นส่วนส่วนส่วนที่เป็นร่างกายเรียกว่ารูปธรรม ส่วนที่เป็นความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์นะเป็นนมามธรรมมีชื่อเฉพาะเรียกว่าเวทนาขันนะกองเวทนาเราเคยได้ยินคำว่าเวทนาไหมสมเพศเวทนาหน้าเวทนาอันนี้คนไทยไปยืมศัพท์คำ ว, ว่าเวทนามาใช้แต่ใช้ผิดนะเวทนาไม่ได้แปลว่าหน้าสงสารเวทนาแปลว่าความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกขนะ์ความรู้สึกเฉย มีอีกกองหนึ่งกองที่3กองแรกก็คือร่างกายนะเรียกว่ารูปกองที่สองคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกอันนี้เป็นนามธรรมแล้วเรียกว่าเวทนากองที่3มเป็นความจําความจําพวกเรามีความจํำไหมบางคนก็มีความจํามากบางคนก็ความจําน้อยบางคนก็ความจําเสื่อมเราก็มีความจําความจําไม่ใช่ความคิดนึกออกไหมความจําไม่ใช่ความคิดความจําไม่ใช่ความสุขความทุกนึกออกไหมคนละอานกัน เันเป็นอีกกองหนึ่งความจำนะํำความคิดก็เป็นอีกกองหนึ่งนะคิดดีคิดร้ายคิดที่เป็นกุศลคิดอกุศลความโลภความโกรธความหลงนี่เป็นกองอีกกองหนึ่งนะกุศลก็เช่นศรัทธาวิริยะสติปัญญาเป็นกองกองอันนี้เรียกว่ากล่องสังขารสังขารคือความปรุงแต่งของจิตปรุงดีก็ได้เช่นมีศรัทธามีสติมีวิริยะนะ มีปัญญาเนี่ยเป็นกองดีอยู่ในสังขารขันฝ่ายดีนะสังขารขันฝ่ายชั่วก็คือความโลภความโกรธความหลงบรรดากิเลสทั้งหลายนั่นเองความโ pit, กรธไม่ใช่ร่างกาย emat. นึกออกไหมความโกรธไม่ใช่ร่างกายเพราะฉั้นเป็นคนละกองกับรูปเป็นคนละกองกับร่างกายความโกรธไม่ใช่ความสุขไม่ใช่ความทุกข์เพราะฉะั้นเป็นคนละกองกับเวทนาความโกรธไม่ใช่ความจําะฉะนั้นเป็นคนละกอง กับสัญญาสัญญาคือตัวความจำนะํำเรียกว่าสัญญานะความโกรธไม่ใช่จิตจิตเป็นคนรู้นะตัวจิตเ้าเรียกว่าวิญญาณตัวจิตเนี่ยเราจะมาแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเรานะออกเป็นกองๆเป็นส่วนๆแต่อยู่ๆแยกทีเดียว5ส่วนแยกไม่ออกแยกแยากนะเรามาแยกทีละส่วนใจเย็นๆนะมานั่งก็ได้ตอนนี้พวกเรานั่งอยู่เกือบทั้งหมดกําลังนั่งอยู่เราค่อยๆทําความรู้สึกตัวอย่าไปเพ่งร่างกายนะ รู้สึกไหมร่างกายกำลังนั่งอยู่ค่อยๆหัดดูลงไปเลยนะดูลงไปซีร่างกายกำลังนั่งเห็นไหมร่างกายกำลังนั่งไม่ได้นั่งเฉยๆนะนั่งหายใจด้วยเห็นไหมร่างกายหายใจออกเห็นไหมร่างกายหายใจเข้านะหัดดูไปอย่างนี้เรื่อยๆนะดูไปดูไปเลยจะเห็นเลยร่างกายนี้เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าจิตเป็นคนดูอยู่เห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายขยับ อย่างพวกเรานั่งก็ไม่ได้นั่งนิ่งๆพวกเรานั่งก็กระดุกกระดิกกระดุกกระดิกไปเรื่อยใช่ไหมเห็นไหมร่างกายที่พยักหน้ายบางคนฟังหลวงพ่อเทศแล้วพยักหน้าเห็นไหมร่างกายที่พยักหน้าเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านี่หัดอย่างนี้นะหัดไปเนี่ยร่างกายที่ยกมือไปเกาใครเกาบ้างใครเกาบ้างหลวงพ่อนั่งอยู่ตรงนี้จะเห็นเลยนะแอบเกากันอยู่เรื่อยๆแต่ไม่รู้ตัวหรอกเราเกาอัตโนมัตินะเพราะคันเราก็เกาน่าฟังต่อ อย่างเนี้ยล้วก็ฟังต่อเราไม่เห็นเราไม่รู้สึกต่อไปนี้เราคอยรู้สึกอยู่ที่ตัวเองนะเนี่ยร่างกายมันเคลื่อนไหวเรารู้สึกร่างกายมันเคลื่อนไหวเรารู้สึกร่างกายมันไปยัดหน้าคอยรู้สึกอยู่ที่ร่างกายเรื่อยๆเ้จะเห็นในะร่างกายเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าหัดอย่างนี้ไม่ยากหรอกนะบางคนหัดวันเดียวก็เป็นละก็จะเห็นในร่างกายกับจิตนั้นเป็นคนละอันกัน พอเห็นกายกับจิตเป็นโคนานแล้วนั่งต่อไปอีกนั่งนานๆเดี๋ยวเพิ่งเปลี่ยนอิริยาบถนั่งไปนั่งมามันเมื่อยเราจะค่อยๆดูลงไปความเมื่อยกับร่างกายเป็นโคนละอนกันนะร่างกายนั่งอยู่ก่อนนะความเมื่อยมาทีหลังนะความเมื่อยกับร่างกายเป็นโคนละอันกันเนี่ยเราจะแยกได้อีกขันนึ่งแลความปวดความเมื่อยนี่เป็นเวทนาขันเป็นความทุกข์นั่นเองค่อยๆไปเราก็จะเห็นร่างกายก็ส่วนหนึ่งนะความสุขความทุกข์อย่างความปวดความเมื่อยเกิดขึ้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง จิตเป็นคนดูก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนี่ได้3ามกองแล้วนะได้3ขันละนะสัญญาขันช่างมันก่อนนะช่างมันปล่อยไว้ทิ้งไปก่อนดูยากนะพอเรานั่งนานๆพอมันปวดมากๆนะใจเราทุรนทุรายใจเรากระสับกระสายขึ้นมานะเราค่อยๆดูไปไอ้ความกระสับกระสายเนี่ยเพิ่งเกิดมาทีหลังนะร่างกายนั่งอยู่ก่อนเวทนาเกิดมานะแล้วจิตใจก็กระสับกระสายตามหลังมาให้ความกระสับกระสายไม่ใช่ร่างกาย ความกระสับกระสายไม่ใช่ความปวดเมื่อยความปวดเมื่อยมันอยู่ที่ร่างกายแต่ความกระสับกระสายมันเกิดที่จิตแล้วความกระสับกระสายก็ไม่ใช่จิตด้วยนะจิตเป็นคนดูอยู่ความกระสับกระสายมาทีหลังยค่อยๆหัดรู้ไปนะแต่ไปตัวอื่นๆเราก็หัดรู้แบบเดียวกันเช่นความโกรธมันเกิดขึ้นเราก็เห็นเลยเออตะกี้ไม่โกรธ ต, ตอนนี้โกรธนะนั้นความโกรธ ก, กับจิตเนี่ยเป็นคนละอันกันความโลภ ก, กับจิตก็โคนละอนกันนะค่อยๆหัดไปการหัดตัวนี้สําคัญมาก พวกเราชาวพุทธถ้าเราอยากเป็นชาวพุทธแท้อยากเป็นลูกพระพุทธเจ้าอยากบรรลุมรรคผลนิพพานในชีวิตนี้เราต้องเรียนให้ได้ยากแค่ไหนก็ต้องเรียนแต่ความจริงไม่ยากมันยากเพราะเราไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ฟังเรื่องการแยกธาตุแยกขัดทั้งๆ ท, ท, ที่เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าก็สอนมาตั้งแต่แรกแล้วอย่างสอนสอนปัญจวัคคีย์จได้ไหมท่านถามปัญจวัคคีย์ บอกว่ารูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงปัญจวัคคีย์บอกรูปไม่เที่ยงพระเจ้าค่าท่านก็ถามต่อสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์บอกเป็นทุกข์พระเจ้าค่าสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นควรหรือว่าจะเห็นว่าเป็นตัวเราก็ไม่ควรพระเจ้าค่าคือสอนให้เห็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาของรูปนั่นเองแล้วเสร็จแล้วท่านก็ถามต่อ ดูก่อนพิกษุทั้งหลายนะเวทนาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์เที่ยงหรือไม่เที่ยงเห็นไหมสัญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยงสังขารเที่ยงหรือไม่เที่ยงวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงถ้าไล่ขันห้านั่นเองนะี่สอนปัญจวัคคีย์นะปัญจวัคคีย์ฟังเรื่องขันห้านี่แล้วก็บรรลุพระอรหันต์ไปเลยเพราะเห็นความจริงเลยว่าขันห้าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตัวนี้เป็นตัวเรื่องสําคัญมากแต่ว่าอาภัพที่สุดเลยชาวพุทธเราไม่เคยได้ยินเรื่องการแยกธาตุแยกขัน ใครรู้จักอาจารย์มหาบัวใครเคยเจอท่านบ้างไหมมีไหมหลวงเขาเรียกอะไรหลวงตาหลวงตามหาบัวอะไรเนะี่ยใครเคยเห็นในทีวีบ้างมีไหมคงจะเห็นบ้างอ่ะนะคนเข้าวัดคนสนใจธรรมะไม่เคยรู้จักก็แปลกอะ่ะอาจารย์มหาบัวนะสอนแบบฟันธงเลยบอกว่าถ้าไม่แยกธาตุแยกขันนะอย่ามาอวดเรื่องเจริญปัญญาเนี่ยถ้าแยกธาตุแยกขันไม่เป็นนะอย่ามาอวดนะว่าเรื่องเจริญปัญญา ปรยกต่อไปก็คือถ้าเจริญปัญญาไม่ได้มากผลนิพพานก็ไม่มีหรอกนะทำไม่ได้หรอกงั้นถ้าเราไม่เจริญปัญญาเราก็ไม่มีโอกาสบรรลุมากผลนิพพานไม่มีโอกาสพ้นทุกตามหลักของพระพุทธศาสนาหรอกตัวขันห้านั่นแหละตัวขันห้านั่นแหละคือตัวทุกนั่นเรามาเรียนรู้ทุกมาเผชิญตัวทุกก็คือมาเรียนรู้ขันห้านั่นเองนะวิธีเรียนรู้ก็หัดแยกมันก่อนนะ นั่งไปแล้วก็ดูไปร่างกายกับจิตเป็นคนละอันกันร่างกายมันนั่งอยู่ร่างกายมันเคลื่อนไหวอยู่ร่างกายมันขยับอยู่จิตเป็นคนรู้คนดูฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยต่อไปความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายเราก็ดูไปความสุขความทุกข์ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่จิตความสุขความทุกข์เกิดขึ้นที่จิตใจก็ได้เป็นความสุขกายสุขกายสุขใจใช่ไหมทุกข์กายทุกข์ใจตัวเวทนาเนี่ยเกิดที่กายก็ได้เกิดที่ใจก็ได้ เวทนมามีความสุขความทุกข์เกิดในร่างกายก็ เ, เห็นอยู่ไม่ใช่ร่างกายความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในจิตใจก็เห็นอีกนะความสุขความทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวจิตใจเป็นสิ่งที่จิตใจไปรู้เขา้านะหัดทุกวันนะหัดซ้อมทุกวันแยกธาตุแยกขันไปทุกวันถ้าเราหัดแยกได้เราจะเห็นในร่างกายอยู่ส่วนร่างกายเวทนาอยู่ส่วนเวทนาสัญญาคือความจําอยู่ส่วนความจําสังขารคือความคิดปรุงดีปรุงชั่วอยู่ส่วนสังขารจิต เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานกะ็อยู่อีกส่วนหนึ่งนะจิตอยู่ในถือว่าอยู่ในวิญญาณขันคือวิญญาณแปลว่าความรับรู้นะเป็นตัวที่ไปรับรู้สิ่งต่างๆตัวจิตนั่นเองเป็นตัวรับรู้เราหัดแยกให้ได้พอเราแยกเป็นแล้วเราก็มาดูขันแต่ละขันนั่นนะแสดงไตรลักษณนะ์มันจะตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนปัญจวัคคีย์นั่นเองก็นะจะเห็นรูปคือตัวร่างกายเหล่านี้แหละรูปนี้แหละเป็นของไม่เที่ยงรูปนี้เป็นทุกข รูปเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวใช่ตนเวทนาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์เนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสัญญานี่ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตัวสังขารความปรุงดีปรุงชั่วไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตัวจิตเองก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าเราเห็นได้ขันห้านี่ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ได้เนี่ยตรงนี้นะสําคัญมากเลยพระปัญจวัคคีย์เห็นตรงนี้เลยนะก็บรรลุพระละหันกันทั้ง5องค์เลยนะ พวกเราก็มีโอกาสนะเพราะงั้นเรามาเรียนเรื่องเจริญปัญญานี้ให้ดีคนรุ่นหลังนะเสียดายเหลือเกินนะพวกเราอ้างว่าเป็นชาวพุทธชาวพุทธเราไม่รู้จักเรื่องแยกธาตุแยกขันนะแยกไม่เป็นนะมันมีแต่ตัวเราตัวเราเพราะขันมันมารวมกันเข้าแล้วเข้าไปหมายผิดๆว่ามีตัวเราเป็นะสัญญามเข้าไปหมายนี่นะี่ยนี่คือตัวเราตัวเรานะมาหัดแยกมันเป็นส่วนๆแล้วเราก็จะพบว่าตัวเราไม่มี เวลาที่จิตกับกายแยกออกจากกันมันจะมีความรู้สึกว่าจิตอยู่ส่วนหนึ่งกายอยู่ส่วนหนึ่งมีช่องว่างมาขั้นนะไม่ใช่เนื้อเดียวกันแต่การแยกกายกับจิตไม่ใช่ว่าถอดจิตออกจากร่างนะบางคนถอดจิตไปอยู่เหนือศีอรษะลอยเป็นดาวเทียมแล้วดูร่างกายไม่ต้องขนาดนั้นไม่จําเป็นเลยและไม่ควรจะทําด้วยอันนั้นจิตมันแยกออกไปมากเกินไปอันนั้นเอาไว้เวลาเวลาจะหนีความทุกข์บางอย่างนะแล้วค่อยทํา อาจารย์มหาบัวท่านเขียเล่าเนี่ยท่านฉันยาจีนอะเม่นห ม, ม็นยาเ น, นี่ยเหม็นมากเลยเวลาท่านฉันนะท่านทนกลิ่นมันไม่ไหวนะจ ะ, จะอาจเจียนอะไรเงี้ยถ้าเราจิตไปไว้บนขื่อนันบอกเงี้ยพวกเรารู้จักขือ่อไหมไม่มีแน่นอนเดี๋ยวนี้ไม่เห็นขื่อละนะสมัยโบราณยังมีขื่อเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาบอกบ้านเมืองไม่มีขื่อมีแปรจริงๆนะมีแต่ฟ้าเพดาน <c oughs> มองไม่เห็นเออหรือเวลาทําฟันนะ มันหวัดเสียวมากแล้วจิตไปอยู่ที่หัวไม่เท้านะไม่หวัดเสียวแล้วไม่เจ็บหมอกเราไม่ต้องแยกแบบนั้นอย่างนั้นไม่ใช่การแยกธาตุแยกขันนะอย่างนั้นเป็นวิธีหนีทุกข์ใช้ไม่ได้เป็นวิธีหนีทุกข์หลบเลี่ยงเป็นชั่วครั้งชั่วคราวถ้าจะเจริญปัญญานะแยกออกมาเนี่ยแยกด้วยความรู้สึกนะไม่ได้แยกด้วยที่ตั้งนะไม่ใช่เอาจิต ไ, ไปไว้นอกร่างกายไม่ใช่อยู่ในร่างกายนี้แหล ะ, ะแต่มันรู้สึกเลยว่าจิตกับกายเป็นคนละานกัน มันจะรู้สึกอย่างจิตกับความรู้สึกสุขทุกข์ก็เป็นคนล่านกันจิตกับโรคกรดหลงก็เป็นคนล่านกันนะค่อยดูอย่างนี้เรื่อยๆถ้าหัดดูไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะเห็นเลยร่างกายก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นเองพอจิตตั้งมั่นขึ้นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะจิตเป็นคนดูได้เห็นร่างกายมันหายใจมันจะรู้สึกว่าร่างกายหายใจอยู่ไม่ใช่เราหายใจอยู่ร่างกายปวดเมื่อยก็เห็นว่าร่างกายปวดเมื่อย ไม่ใช่เราปวดเมื่อยนะร่างกายแก่ไม่ใช่เราแก่ร่างกายเจ็บไม่ใช่เราเจ็บร่างกายตายไม่ใช่เราตายเนี่ยพอแยกออกไปแล้วไม่มีใครแก่เจ็บตายแล้วมีแต่ร่างกายมันแก่มันเจ็บมันตายไม่ใช่เราแก่เราเจ็บเราตายแล้วเพราะฉนั้นพอร่างกายมันแก่เนี่ยใจเราไม่ได้รู้สึกว่าร่างกายนี้เป็นตัวเรานะอยากแก่ก็แก่ไปเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเรานะร่างกายมันเจ็บก็เรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราร่างกายมันจะตายเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเรา จิตมันจะถอนตัวออกมาเป็นอิสระจากร่างกายแล้วอะไรเกิดขึ้นในร่างกายนะั้นไม่สะทกสะทานนะจิตไม่เศร้าหมองไปด้วยเลยไม่เหมือนคนทั่วๆไปนะไม่สบายก็ทุรนทุรายโมโหโทโสนะถ้าไม่สบายน้อยๆก็โมโหหงุดหงิดอะไรเงี้ยไม่สบายมากก็โมโห อ, อีกอยากตายเร็วๆอะไรอย่างนี้อยากตายเร็วๆก็ลำคาญร่างกายนี่ก็เป็นกิเลสต ะ, สะกูลโทสัยพวกนี้ตายไปก็ตกนรกนะนะเขาตายไปด้วยโทสัต ถ้าเรามาฝึกของเรานะมาฝึกทุกวันดูกายอยู่ส่วนกายความสุขความทุกข์เกิดขึ้นก็เห็นว่ามันอยู่ต่างหากนะไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่จิตกิเลสเกิดขึ้นก็เห็นว่ามันอยู่ต่างหากไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่ความสุขความทุกข์ไม่ใช่จิตนะหัดดูไปเรื่อยตัวจิตใจเราก็เป็นคนดูแต่มันไม่เป็นคนดูอย่างเดียวหรอกเดี๋ยวมันก็หนีวิคิดเดี๋ยวมันก็หนีไปเพ่งเนะี่ยตัวผู้รู้เองก็ไม่เที่ยงเหมือนกันไม่ใช่ว่าตัวผู้รู้เที่ยงนะตัวผู้รู้ก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษ เกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปมีขึ้นมาชั่วคราวแล้วก็หายไปร่างกายเราก็ดูไปร่างกายเดี๋ยวก็หายใจออกร่างกายหายใจออกอยู่ชั่วคราวก็ตายไปเกิดร่างกายที่หายใจเข้าร่างกายที่หายใจเข้าอยู่ชั่วคราวก็ตายไปเกิดร่างกายที่หายใจออกคอยดูไปเรื่อยร่างกายที่นั่งอยู่นั่งชั่วคราวก็หายไปกลายเป็นร่างกายที่ยืนนึงร่างกายที่ยืนอยู่ชั่วคราวก็หายไปเป็นร่างกายที่เดินหนึ่ง เดินไปเดินมาเดินไปเหยียบอะไรเข้าก็าลงไปนอนเห็นร่างกายมันนอนนะใจเราเป็นคนดูฝึกอย่างนี้บ่อยๆความสุขความทุกข์เกิดขึ้นก็เป็นของที่จิตไปรู้เข้าความสุขก็ไม่เที่ยงนะความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปกุศลอกุศลก็ไม่เที่ยงเช่นมีศรัทธาวันนี้ศรัทธาอีกวันหนึ่งไม่ศรัทธาละวันนี้มีความเพียรอีกแป๊บเดียวขี้เกียจซะและวความเพียรหายไปละ วิริยะก็ไม่เที่ยมดูอย่างเนี้ยบางวันก็รู้สึกเฉลียวฉลาดบางวันก็โง่โง่เอาแน่นอนไม่ได้หรือกิเลสใช่ไเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็ไม่โกรธเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็ไม่โลภเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็หดหูเนี่ยดูของจริงลงไปนี่แหละคือการเรียนรู้ความจริงของกายของใจเรียนรู้ความจริงเรียนกันตรงนี้เองสนามรบของเรานะหรือ มหาวิไลที่เราจะใช้ศึกษาเพื่อความพ้นทุกข์จริงๆก็คือกายกับใจนี่เองเรียนลงมาที่กายเรียนลงมาที่ใจให้มากแต่เราจะเรียนได้จิตต้องตั้งมั่นซะก่อนนะนจิตต้องอยู่กับเนื้อกับตัวเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก่อนจําได้ไหมทํำยังไงถึงได้จิตผู้รู้เป็นผู้รู้ขึ้นมาจําได้หรือเปล่าเท็จทีแรกเท็จเรื่องนี้ก่อนนะให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัววิธีให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวก็คือหากรรมาฐานมาซ้อมสักอันหนึ่งพุโทโธก็ได้หายใจก็ได้ นะแล้วจิตนี้ไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งก็รู้หัดรู้ทันตัวนี้แหละนะพอจิตนี้ไปคิดเรารู้ทันนะจิตจะหลุดออกมาเป็นผู้รู้ได้พอจิตเป็นผู้รู้แล้วมาหัดแยกร่างกายแยกเวทนาแยกกิเลสออกไปนะจิตเป็นคนดูนี่มันมีสองขั้นตอนเท่านั้นแหละขั้นตอนหนึ่งก็คือฝึกจิตให้ตั้งมั่นเรียกว่าฝึกให้ได้สมาธิไม่ใช่สมาธิสงบเฉยๆนะแต่สมาธินี่จิตตั้งมั่นสมาธิแปลว่าความตั้งมั่น คนรุ่นหลังชอบไปแป่สมาธิว่าสงบแปลแล้วเกรดต่ำลงไปเยอะเลยนะสงบนี่นอกาศาสนาพุทธก็มีนะแต่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่ไหนก็ไม่มีหรอกนั่นะเราฝึกขึ้นมาให้ได้จิตไหลไปคิดแล้วรู้ไหลแล้วรู้เราก็จะตื่นขึ้นมาถัดจากนั้นดูกายดูใจเขาทำงานหัดแยกมันทีแรกก็อาจต้องจงใจแยกก่อนนะค่อยๆนั่งดูไปแล้วค่อยๆ ค, คิดไปด้วยก็ได้เออร่างกายนี้ถูกรู้นะ ดูร่างกายทั้งตัวดูไม่ถ น, นัดดูผมก็ไดนะ้เอามือรูปผมดูผมนี้เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะจับที่คิ้วดูผลนี้ก็ถูกรู้นะฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกค่อยๆเป็นของถูกรู้ไปสุดท้ายก็เห็นร่างกายเป็นของถูกรู้ไปหมดนะหรือบางคนไม่ต้องแยกแบบนี้ก็ได้นั่งอยู่แล้วรู้สึกเลยตัวที่นั่งอยู่นี่ถูกรู้อยู่ตัวที่กาลังหายใจนี่ถูกรู้อยู่ดูทั้งตัวเลยก็ได้บางคนดูทั้งตัวไม่ออกดูเป็นส่วนๆก่อนก็ได้ ค่อยๆหันดูไปสุดท้ายนก็แยกกันได้แยกกายก็ส่วนกายนะจิตก็ส่วนจิตเวทนาก็ส่วนเวทนาสังขารก็ส่วนสังขารพอแยกได้แล้วแต่ละตัวแต่ละตัวนั่นแหละจะสอนใจลักษณแสดงอยู่แล้วใจลักษณถ้าเมื่อไหร่เห็นสภาวะธรรมแต่ละตัวแต่ละตัวนะสภาวะของรู ป, ปรธรรมสภาวะของนมามธรรมทั้งหลายเช่นเวทนาสภาวะธรรมของสัญญาของสังขารของจิตนี่เรียกสภาวะนั้นเป็นของจริง ถด้ดูลงนี้ลงไปตัวรงนี้ลงไปเห็นตัวสภาวะเมื่อไหร <c oughs> ก็จะเห็นไตรลักษณ์เมื่อนั้นแหละอย่างเราได้ยินคําว่าไตรลักษณ์เรื่อยๆนะแต่เราไม่เห็นเนาะถ้าเราแยกขันไม่เป็นนะนั้นการเจริญปัญญาเนี่ยเริ่มต้นมาจากการแยกธาตุแยกขันนี่แหละนะในอภิธรรมก็สอนเหมือนกันนะขั้นแรกเลยปัญญาขั้นที่หนึ่งเลยชื่อนามรูปปริเฉทญาณการแยกรูปกับนามนั่นเองก็กายส่วนกายจิตส่วนจิตนะโครานกันหัดแยกไป ต่อไปก็จะค่อยๆรู้ค่อยๆเห็นความจริงของกายของใจเป็นลําดับลําดับไปนะร่างกายนี้มีอยู่ก็เพราะมีเหตุจิตใจความรู้สึกนึกคิดอย่างนี้มีอยู่ก็เพราะมีเหตุถ้าไม่มีเหตุก็ไม่มีค่อยๆเรียนไปนะเพราเห็นจริงๆเห็นไตรลักษณ์ขึ้นมาถ้าเห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์ได้ะเบื้องต้นก็ล้างความเห็นผิดว่ากายนี้ใจนี้คือตัวเราเป็นพระโสดาบันเบื้องปลายจะล้างความยึดถือเพราะว่าจะเห็นความจริงแล้ว ขันห้ามีแต่ทุกข์ทั้งนั้นในร่างกายกายเ 101, ol, ็เป็นตัวทุกข์เวทนาก็เป็นตัวทุกข์สัญญาสังขารวิญญาณเป็นตัวทุกข์ 5, ทั้งหมดเลยถ้าเมื่อไร่เห็นขันห้าทั้งหมดเป็นตัวทุกข์ได้ก็ปล่อยวางขันห้าได้ถ้ายังเห็นขันห้าเป็นของดีของวิเศษเป็นของอริยอร่อยอยู่ก็ไม่ปล่อยวางอย่างพวกเรายังไม่เห็นทุกข์นะงั้นถ้าเรายังไม่เห็นทุกข์เราไม่ปล่อยวางหรอกถ้าเราเห็นทุกข์เมื่อไหรเราถึงจะปล่อยวางเรายังรู้สึกร่างกายนี้เป็นของดีเราเลยหวงจิตใจของเราเนี่ยเป็นของดีเราก็เลยหวง ถ้าเราแยกธาตุแยกขันธ์แล้วคอยดูไปด้วยมีแต่อริจังทุกขังอนัตตาไม่เห็นจะดีตรงไหนเลยมีแต่ของไม่เอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยอะไรไม่ได้เนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเห็นในขันห้ามีแต่ภาระขันห้ามีแต่ความทุกข์ถ้าเห็นอย่างนี้ได้เรี่เราเรียนรู้ทุกจบละจบมหาวิไลชีวิตแล้วเนี้ยนะในสังสารวัตเนี่ยเราต้องเรียนจนจนได้อะนะถ้าเรียนไม่ได้ก็เวียนว่ายตายเกิดไปถ้าเรียนได้ถึงจุดหนึ่งจิตจะปล่อยวางขันห้าทั้งหมดเลย ขันตัวสุดท้ายที่ปล่อยคือจิตนั่นเองจะหวงแหนจิตสุดท้ายไม่หวงแหนกายกายนี้ปล่อยก่อนมันเป็นของหยาบดูง่ายว่ามันเป็นตัวทุกข์จิตเป็นของละเอียดดูยากว่าเป็นตัวทุกข์ดูกันนานนะค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ไปแยกไปจิตก็ไม่เที่ยงจิตก็ทนอยู่ไม่ได้ถูกบีบคั้นตลอดเวลาจิตก็บังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจเป็นอนัตตาเห็นอย่างนี้ซ้ําๆนะ จิก็ยอมรับความจริงจนได้จีตเองก็เป็นตัวทุกตัวหนึ่งเป็นของไม่ดีพอรู้ว่าเป็นของไม่ดีจิตถึงจะปล่อยถ้ายังคิดว่าเป็นของดีของพิเศษไม่ปล่อยหรอกงั้นถ้าเราไม่เรียนรู้ทุกเราจะไม่ได้ธรรมะถ้าเห็นทุกเมื่อไหร่ก็คือเห็นธรรมะเมื่อนั้นแหละตัวทุกก็ไม่ได้อยู่ที่อื่นอยู่ที่ขันห้าอยู่ที่กายที่ใจนี้เรียนลงมาที่กายที่ใจนี้เห็นทุกแจ่มแจ้งเมื่อไหร่ก็ปล่อยวางได้ปล่อยวางได้ก็พ้นทุกได้ เป็นพระรหันไม่ใช่อุดมคตินะเป็นสิ่งซึ่งผู้ปฏิบัติเห็นตามได้ไม่ใช่หลอกหลอกเด็กวนะ่าไปหัดดูแล้วดีเองผู้ที่จะทำไม่มาหลอกพวกเราต้องหัดเอาเองแยกธาตุแยกขันธ์ไปขั้นแรกให้ใจอยู่กับตัวเองก่อนแต่ขั้นแรกสุดเลยถือศีลห้าไว้ก่อนถ้าไม่มีศีลห้าสมาธิไม่เกิดออกนะเพราะว่าจิตจะฟุ้งซ่าน ถ้ามีศีลแล้วจิตจะสงบง่ายจิตจะตั้งมั่นง่ายพอเรารักษาศีลดีแล้วเราคอยรู้ทันจิต ท, ที่หลงไปคิดนะก็จะได้จิต ท, ที่ตั้งมั่นขึ้นมาพอได้จิต ท, ที่ตั้งมั่นเราก็หัดแยกกายแยกใจแยกรูปแยกนามไปเรื่อยแยกขันไปเรื่อยสุดท้ายก็จะเห็นไตรลักษณ์ของขั น, นก็จะเป็นพระอราหันต์องค์หนึ่งในโลกทางเดินที่ท่านเดินกันมาตั้งแต่เริ่มต้นาศาสนามานะจนถึงยุคไหนยุคไหนก็เป็นอันเดียวกันนี้เอง ถึงพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆมาสอ น, นก็สอนอันเดียวกันนี้เองนะบางคนนะไม่ยอมนขนวา่ภาวนาจะรอไปเรียนกับพระสีอานไดเรียนกับพระสีอานก็เรียนธรรมะอันเดิมนี่เองนะไม่ได้มีเรียนอะไรใหม่กว่านี้หรอกก็เรียนอย่างเดียวกันนี่เองเพราะนั้นถ้าเราเรียนเฉะแต่วันนี้นะถ้าสอบฐานได้ได้ไดปริญญาก็จบไปเลยจบปีสี่มีปีหนึ่งสองสามสี่เหมือนกันนะมีสี่ขั้น จบได้ก็จบไปจบไม่ได้ดรอปไว้ก่อนนะเรียนชาติหน้าต่อนี่ดรอปนานนะไม่เสียค่ารักษาสถานภาพด้วยยังมีกิเลสอยู่ก็ยังได้ไปต่อได้อีกยังเกิดได้อีกฝึกนะเอานะฝึกเอาอย่าให้เสียทีที่เกิดมาเป็นชาวฟุตนะเราเป็นชาวฟุธแต่เปลือกถ้าเมื่อไหร่ใจเราเข้าถึงธรรมเราจะเป็นลูกพรงพุทธเจ้านะเราจะได้เจอพ่อเจอแม่ตัวจริงของเราในสังสารวัตนี้ อ่ะเท่านี้แหละนะค่ะกราวขอโอกาสหลวงพ่อนะเจ้าคะเนื่องจากวันนี้ไม่ได้มีการให้ส่งการบ้านเป็นรายคนนะคะก็ได้รวบรวมคำถามยอดนิยมของคนปฏิบัติธรรมได้มามาถามนะนะเจ้าคะก็้อแรกสำหรับคนที่เริ่มปฏิบัติอะคะ่ะที่ไม่ไม่ทราบว่าจะทำยังไง คำว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยหมายความว่ายังไง <Ừ. S 2> ห, มหมายถึงว่าจะต้องอนั่งสมาธิเดินจงกรมแล้วก็สวดมนต์อย่างนี้แล้วต้องไปเข้าคอร์สไหมคะเือปฏิบัติธรรมนะก็อันแรกก็มีเรื่องรักษาศีล น, นะรักษาศีลไว้ก่อนต่อไปก็มาฝึกจิตฝึกสมาธิให้จิตใจอยู่กับเนื้อกระตัวจะฝึกที่บ้านก็ได้นะฝึกที่ไหนก็ได้จะไปฝึกที่วัดก็ได้ฝึกที่บ้านก็ได้ จุดสําคัญก็คือเรามีกายมีใจอยู่ที่ไหนเราก็ภาวนาอยู่ที่นั่นแหละนะตอนหลวงพ่อหัดภาวนาครับภาวนาตอนเป็นโยมนะภาวนามาตั้งแต่เป็นโยมไม่ใช่ว่าไปภาวนาในวัดหรอกนะเพ้าเราจะปฏิบัติธรรมเนี้ยอยู่ตรงไหนก็ทําได้ค่อยรู้สึกตัวนะค่อยรู้สึกตัวแล้วค่อยๆเรียนพัฒนาศีลสมาธิปัญญาขึ้นมานะวิธีจะให้เกิดศีลง่ายๆไม่ยากอะไรคอยรู้ทันจิตตัวเองไว้ กิเลสอะไรเกิดขึ้นที่จิตรู้ทันไปทันทีที่รู้ทันนะกิเลสครอบงาจิตไม่ได้ศีลมันเกิดแล้วศีนอัตโนมัติจะเกิดละคนทําผิดศีลได้เพราะว่ากิเลสครอบงําจิตหรอกนะงั้นถ้ากิเลสเกิดแบบเมื่อเรารู้ทันมีศีลแล้วจิตหนีไปคิดเรารู้ทันเราได้สมาธิพอจิตได้สมาธิแล้วก็มาแยกธาตุแยกขันธ์นะดูกายดูใจเ้าทํางานใจเราเป็นคนดูเห็นกายส่วนกาย ความสุขความทุกข์ส่วนความสุขความทุกข์นี้ฝึกได้การปฏิบัติไม่เกี่ยวอะไรกับการนั่งหลับตาเกี่ยวกับท่าทางอะไรไม่จําเป็นเท่าไหร่หรอกอันนั้นเป็นการทําในรูปแบบหลวงพ่อก็ให้ทำนะหลวงพ่อก็สอนให้ทําแต่ทําไม่ใช่เพื่อเอาเดีเอาอะไรเป็นการซ้อมซ้อมที่จะรู้ทันจิตตนเองนั่นเองอย่างเราบางวันเราฟุ้งซ่านมากนะเราก็ไปนั่งคอยรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านไปแป๊บเดียวจิตก็สงบแนละ้ว จ, จิตสงบแนละ้วค่อยๆมาสังเกตนะร่างกายถูกรู้ถูกดูความสุขความทุกข์ทั้งหลายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงขึ้นในกายนในใจนี้จเจริญปัญญาต่อไปได้ลนะออกจากการปฏิบัติในรูปแบบเพื่มาเจริญสติในชีวิตประจําวันนะการปฏิบัติในรูปแบบนั้นเป็นการซ้อม น, นักมวยเข้าค่ายซ้อมถึงเวลาเขาต้องชกจริงชกจริงคือชคในชีวิตประจําวันนี้แหลนะนะตามองเห็นความสุขความทุกข์กุศลอกุศลเกิดที่จิตคอยรู้ทันนี่ หูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสใจคิดนึกปรุงแต่งนะความสุขความทุกข์กุศลอกุศลอะไรเกิดขึ้นที่จิตพอรู้ทันนี่ฝึกแค่นี้เองนะถึงเวลาก็ไปทําในรูปแบบจะนั่งสมาธิจะเดินจงกรมอะไรก็ได้ไม่เนกะี่ยวกับท่านั่งหรอกจริงๆเจ้าค่ะงั้นเป็นคําถามต่อเนื่องนะเจ้าคะ่ะแบบเรารู้อย่างสมมุติว่าเรารู้ว่าเราฟุ้งซ่านอยู่เราโกรธอยู่เราหงุดหงิดอยู่แล้วเรารู้แล้วแล้วทําไมมันไม่หายไปสักทีะคะโอ้ถ้าอยากให้หายไม่หายนะ ความอยากมันเป็นต้นเหตุให้เกิดความทุกข์นะยิ่งอยากมากยิ่งทุกข์มากก็อย่างที่หลวงพ่อสอนต่กี้นะความโกรธเกิดขึ้นเราก็ดูไปความโกรธเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเราเป็นคนดูเฉยๆนะไม่ไปต่อต้านมันไม่คล้อยตามมันต่อต้านมันก็คืออยากให้มันหายไปอันนี้สุดโตไปข้ามาคับตัวเองนะจะยิ่งเครียดหนักเลยอย่างโมโหขึ้นมาแล้วอยากหายโมโหมันไม่ยอมหายเลยโมโหตัวเองอีกที่มันมโมโหไม่หายานะ เลยยิ่งโมโหซ้อนโมโหไปไอ้นี้สุดโตไปข้างทรมานตัวเองมากไปอีกพวกหนึ่งสุดโตงตามใจกิเลสโมโหวิเตียเขาเลยลืมตัวถูกกิเลสครอบเราเราทางสายกลางนะจิตเป็นโกรธก็เห็นเลยความโกรธมันแยกขึ้นมาจิตเป็นคนดูนะความโกรธอยู่ต่างหากถ้าเห็นได้อย่างนี้นะความโกรธมันมาไม่ถึงจิตหรอกศีลสมาธิปัญญามเกิดนะให้ฝึกเอาไม่ยากนะอ่ะ มีคนถามอยู่บ่อยๆว่าในการปฏิบัติธรรมเวลาทำในรูปแบบเนี่ยนะครับรูปแบบมันมีเยอะแยะไปหมดเลยนั่งสมาธิเอ่ อ, อ, อบางคนก็เอ๊ะพุโทโธบางคนก็ดูลมหายใจดูท้องพองยุบอะไรกันอย่างงี้ครับหรือกระทั่งบทสวดมนต์ก็มีเยอะแยะเนี่ยเราจะเลือกอยังไงว่าอันไหนเหมาะกับเหมาะกับตัวเราหรือไม่เหมาะยังไงครับรูปแบบของการปฏิบัติตนะ้องดูก่อนปฏิบัติมีสองส่วนนะ ส่วนของสมถกรรมฐานเนี่ยฝึกให้จิตสงบแต่ส่วนของวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยฝึกให้เกิดปัญญาเราก็ดูเลือกอารมณ์เอาถ้าอย่างบางคนขี้โมโหงเงี้ยกรรมฐานที่หมาะกับเราก็คือจะให้จิตสงบเพ่อเจริญเมตตาบางคนขี้โลภโลภมากไม่รู้จะทําไงอาจจะเจริญมรณสติก็ได้ก็ใช้ได้บางคนก็งก อยากตลอดเวลานะหรือรักสวยรักงามมากนะวันว น, นึงเสริมสวยลูกเดียวเลยเคยเห็นนกหงส์หยกไหมสมัยก่อนก็เลี้ยงกันเยอะนะม่นมีกระจกให้มันด้วยนะมันจะเสริมสวยอย่างเนี้ยอาจจะพิจรณาสุภาษนะอันนี้ค่อยดูหรือคนไหนฟุ้งซ่านมากอาจจะทํำอนาปนาสติอันนี้เป็นการเลือกทําสมถะนะจิตสงบอีกอย่างหนึ่งก็ดูนิสัยของเราเป็นแบบไหนเป็นพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงาม นะหรือเป็นพวกคิดมากถ้าเรารักสุขรักสบายรักสวยรักงามเนี่ยถ้าเราจะเจริญปัญญานะเรามาดูกายร่างกายเ น, นี่ยไม่สุขไม่สบายไม่สวยไม่งามนะถ้าเราเป็นพวกคิดมากจิตใจวอกแวกวอกแว ก, วกตลอดเวลาคอยรู้ทันจิตไปนะงั้นเราก็เลือกเอานะใครถนัดอะไรเอานะันแหละไม่มีดีไม่มีเลวแตกต่างกันดอกนะใครถนัดพุดโทโธก็พุโทโธไปพุโทโธเราได้อะไร ถ้าพุทโธแล้วจิตสงบอยู่กับโทก็ได้สมถะ ถ, ถ้าพุทโธจิตหนีไปคิดรู้ทันก็จะได้จิตที่ตั้งมั่นแล้วก็ดูลมหายใจก็ได้นะ ด, ด, ดูลมหายใจไปแล้วจิตไปรวมเข้ากับลมหายใจนิ่งได้ความสงบได้สมถะหายใจไปแล้วจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตไปเพ่งลมหายใจรู้ทั น, นจะได้จิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ขึ้นมาแล้วดูกล่างกายหายใจต่อไปอีกก็ได้จเจริญปัญญาไปเลย เห็นเลยร่างกายที่หายใจอยู่นี่เป็นกล่องไม่เที่ยงเป็นทู่เป็นอนัตตานี่เดินวิปัสสนาเลยนะอย่าง น, นี้ก็ได้อย่างอานาปนานสติเนี่ยทำได้ทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาเลยแนละ้วดูเอาแต่ละคนไม่ดีไม่เร็วแตกต่างกันชอบทะเลานะกันแต่ละสํานักแต่ละสํานักนะแล้วชอบเถียงกันว่าแบบไหนดีกว่าแบบไหนไม่มีแบบดีอมตะถาวรสําหรับทุกคนไม่มีหรอกทางใครทางมันใครถนัดอะไรเอานั้นแหลย แต่ถนัดนอนไม่เอานะโยเว้นสัอย่างเอะคนนอนบรรู้มากกว่า น, นิพพานมีไหมมีแต่ตามสถิติมีน้อยนะเว้นไปสร้างอิริยาบทหนึ่งก็แล้วกันอย่างนั้นถามต่อ น, นิดหนึ่งครับสมมุติเขาถนัดพุดโทโธนะครับสมมุติเขาบอกว่าเขาอยากจะพุโทโธอันนี้หลวงพ่อบอกว่าก็อให้ดู ใจที่พุดโธไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับคําถามคือว่าแล้วจําเป็นไหมครับถ้าจะภาวนาให้อยากจะได้มรรคผลนิพพานเนี่ยจําเป็นว้าต้องพุดโธไปทั้งวันต่อเนื่องเลยไม่ขาดเลยอย่างนี้ครับไม่จําเป็นต้องพูดโธ ท, ทั้งวันนะพุโทโธทั้งวันก็ไม่บรรลุมรรคผลนิพพานตัวที่ต้องมีทั้งวันคือสติทั้งหางนะเพราะฉะนั้นพุดโธด้วยความมีสติหายใจด้วยความมีสติเนี่ยมีโอกาสจะได้มรรคผลนะ ถ้าหายใจเพื่อจะหายใจพุโทโธเพื่อจะพุโทโธพุโทโธทั้งวันเพื่อจะพุโทโธไม่ได้หรอกต้องมีสติพอได้สติแล้วก็ต้องมาเดินปัญญาแยกธาตุแยกขันต์ต่อแต่ครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะอาจารย์มหาบัวท่านเคยเล่านะหลวงพ่อไปฟังท่านบ่อยก่อนท่านเคยเล่าอก ว, ว่าท่านอะทำตั้งแต่ต้นจนจบท่านใช้พุโทโธนะทนใช้พุโทโธพุโทโธที่แรกก็พุทโธใจมันฟุ้งซ่านกับพุทโธอย่างใจเป็นสงบ พุโทโธถัดจากนั้นนะจิตขยับเขยื่อนเคลื่อนไหวก็รู้ทันนะจิตก็ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ขึ้นมาจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้นะท่านพิจารณาร่างกายอะไรเงี้ยพอหมดเวลาพิจารณาร่างกายท่านก็กลับมาพุโทโธใหม่มาชาร์จพลังใหม่ท่านทำหมดท่านอยู่อย่างงี้สุดท้ายขั้นท้ายๆมันจะไปลงมาที่จิตตัวพุโทโธแล้วตัวจิตนั่นแหละ แล้วอย่างเวลาเราภาวนาไปนะคะแล้วจิตมันนิ่งๆอย่างเงี้ยคะ่ะถือว่าเป็นจิตตั้งมั่นไหมคะจิตนิ่งๆไม่ใช่จิตตั้งมั่นนะต้องไม่นิ่งทื่อๆนะถ้ามันตั้งมั่นเนี่ยจิตมันไม่วอกแวกหลงไปอยู่ในโลกของความคิดเท่านั้นแหละเราไม่ได้ไปบังคับให้มันนิ่งนะแต่ว่ามันก็นิ่งเหมือนกันแต่มันนิ่งแบบรู้เนื้อรู้ตัวอยู่สบายนะไม่นิ่งทื่อๆแข็งๆนะหรือไม่นิ่งว่างๆไม่รู้เนื้อรู้ตัว ไม่นิ่งแบบจิตไปรวมเข้ากับความว่างข้างนอกนีมันมันนิ่งอยู่ด้วยความรู้สึกตัวอยู่ตัวจิตที่ตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยต้องสังเกตเอาตอนที่จิตหนีไปคิดถ้าเรารู้ทันจิตที่หนีไปคิดเนี่ยจิตรู้จะเกิดขึ้นจิตรู้นั่นแหละเป็นจิตที่ตั้งมั่นงั้นเราคอยรู้ทันจิตที่หลงไปคิดนะตัวรู้จะเกิดมันจะตั้งมันจะตั้งได้พอดีไม่แข็งเกินไปไม่อ่อนเกินไปอ่อนเกินไปก็ขาดสติไหลหลงๆไป แข็งเกินไปก็ทื่อๆ อ, อยูนะ่ไม่เดินปัญญาก็ตั้งพอดีพอดีแค่ไหนพอดีถ้าหนีไปคิดเรารู้ว่าหนีไปคิดนั้นพอดีเลยถ้าจงใจจะให้ตั้งอยู่อันนี้จะตึงเกินไปนะถ้าฟังซีดีหลวงพ่อจะเจอคำหนึ่งบ่อยๆว่าสภาวะธรรมครับอยากให้หลวงพ่อช่วยอธิบายนิดหนึ่งว่าบางท่านไม่เข้าใจว่าสภาวะธรรมคืออะไรสภาวะสภาวะธรรมคือสภาวะที่มันมีจริงๆอ่ะนะ อย่างตัวขันห้าเนี่ยเป็นตัวสภาวธรรมนิพพานเนี่ยเป็นสภาวธรรมสิ่งที่เรียกว่าสภาวธรรมนั้นก็มีรูปธรรมนะมีนามธรรมแล้วก็มีนิพพานมีเท่านั้นแหละที่เหลืออีกอย่างนึงก็คือเรื่องของที่เราคิดเอาเองอันนั้นไม่ใช่สภาวธรรมที่มีชื่อเฉพาะเรียกว่าบัญญัติสมมุติบัญญัติเรื่องราวที่คิดเมื่อเวลาเราทํามิปัสนาเราไม่ใช่คิดเอาถ้าคิดเอาไม่ไม่ได้เรียนรู้กายรู้ใจ ตัวสภาวะก็คือตัวที่มันมีแท้แท้มันมีจริงๆไม่ใช่เรื่องที่คิดลอยลอยน <ะ S 1> สิ่งที่มีแท้แท้มีจริงๆไม่ใช่คิดลอยๆเอาก็คือรูปธรรมานามธรรมาแล้วก็นิพพานก็มีเท่านั้นเองพวกเราไม่เห็นนิพพานนะคนที่จะเห็นนิพพานครั้งแรกได้ก็ต้องเป็นพระโสดาบันละถึงจะเห็นนิพพานขณะจิตแรกที่เห็นนิพพานนี่คือตอนได้โสดาปติมัติแต่มันขณะแวบเดียวสั้นนิดเดียวยังจําไม่ได้หรอก แล้วอย่างเวลาที่เราปฏิบัติไปเนี่ยค่ะเวลาเกิดสภาวะธรรมเกิดขึ้นเนี่ยเราจะทราบได้อย่างไรว่าสภาวะธรรมอันนั้นเกิดเพราะเรารู้หรือว่าเพราะเราคิดไปเองโอ้ถ้าอย่างนั้นให้รู้ทันว่ากําลังสงสัยนะลงปัจจุบันเลยไม่ต้องสนใจหรอกมันง่ายกว่าที่นึกง่ายอย่างใจมันโกรธขึ้นมาเนี่ยโกรธก็โกรธเราก็เห็นนะความโกรธมันพุดขึ้นมาเราจะต้องมานั่งนงนี่คิดเอาเองว่าโกรธหรือว่าโกรธจริงจริงอะไรอย่างเงี้ย ไ ม, ไม่ต้องคิดเยอะมันรู้เองพอนาะแบบเด็กๆอะ่ะนะเด็กมันซื่อๆนะไม่คิดมากไม่ซับซ้อนการต้วนาะต้องแบบนั้นนะเรียนไปซื่อๆไม่ซับซ้อนหรอกของง่ายๆนั้นเลยนะง่ายไม่ยากหรอก อย่างบางคนนะคะแบบภาวนาปลายล่าจจะเห็นว่าตัวเป็นท่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เกิดความสงสัยขึ้นมาว่าเออเรารู้จริงๆเหมือนกับแยกธาตุแยกขันได้จริงๆหรือว่ามันมันเป็นที่เราคิดเองว่าตัวไม่ใช่เราตัวไม่ใช่เราอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะตอนที่เห็นเป็นท่านๆได้เนี่ยนะตอนนั้นไม่ได้คิดหรอกอาจจะคิดไว้ก่อนแต่ตอนที่มันรู้สึกขึ้นมาเนี่ยมันรู้สึกขึ้นมาเนี่ยตอนนั้นไม่ได้คิดมันจะรู้สึกเอาว่าเป็นท่านๆ แต่ถ้าเกิดเห็นเป็นท่อนๆแล้วมันสงสัยว่าเอ๊ะคิดไปหรือเปล่าหรือว่าเห็นจริ ง, รงๆเราก็รู้ลงปัจจุบันท่อนๆเป็นอดีตเราโยนมันทิ้งไปเลยดูลงปัจจุบันก็คือกําลังสงสัยอยู่เราเราเอาปัจจุบันนะการไปไข้ครวนอันนั้นจะเป็นอดีตไปปล่อยมันไปบางคนเขาบอกว่าเขาหัดฝึกมีสตินะครับตัวเช่น อย่างนั่งสมาธิไปเนี่ยเขาก็เห็นว่าใจตัวเองมันมีแต่ความฟุ้งซ่านอย่างเงี้ยครับหรือว่าในระหว่างชีวิตประจําวันตามรู้ตามดูก็เห็นแต่ใจมันคิดคิดคิดคิดอย่างนี้อันนี้จะเรียกว่าภาวนาดีหรือภาวนาไม่ดีครับต้องดูว่าไปอินกับมันไหมหรือว่าแค่รู้แค่เห็นถ้าแค่เห็นว่าจิตมันฟุ้งซ่านอันเนี้ยดีถ้าเห็นว่ามันฟุ้งซ่านแล้วก็ราคาญใจต่อนี่ไม่ดีแล้วะไปอินกับมันนะถ้าดูแบบคนวงนอกก็ดีแหละนะ เห็นจิตมันฟุ้งซ่านเหมือนเห็นคนอื่นฟุ้งซ่านอย่างเนี้ยดีนะใครรู้จักหลวงพ่อพุทธไหมใครคได้ยินชื่อหลวงพ่อพุทธฐานิโยนะโอเยอะนะลูกศิษย์หลวงพ่อพุทธหลวงพ่อพุทธท่านสอนดีนะท่านบอกว่าปัญญากับความฟุ้งซ่านเนี่ยคาบเส้นกันนิดเดียวนะแทบจะไม่ต่างกันเลยมีความต่างกันนิดเดียวตรงที่จิตเดินปัญญาเนี่ยก็จิตก็ฟุ้งเหมือนกันนะจิตมันคนคว้าพิจารณาเนี่ย แต่มันต่างกันตรงที่ว่าจิตมันเป็นคนดูนะถ้าหากมันฟุ้งซ่านเนี่ยเราจะลืมตัวไปไม่มีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดนะูแต่ถ้าจิตมันเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่แล้วเห็นจิตมันปรุงแต่งเห็นจิตมันทํางานนั่นกําลังเดินปัญญาอยูนะ่ท่านสอนอย่างนี้เลยนะงั้นเราไม่ต้องฝึกตนเองให้กลายเป็นต้นไม้และก้อนหินนะบางคนจะฝึกสมาธิอยากปฏิบัติทำนี่แหละทำยังไงจะเลิกคิดทําไมต้องเลิกคิดเลิกคิดแล้วจะอยู่ในโลกได้ไง พระละหันไม่คิดเหรอพระละหันก็คิดนะพูะพุทธเจ้าคิดไหมพระพุทธเจ้าก็คิดนะไม่ใช่ไม่คิดนะงั้นไม่ใช่ไปดัดแปลงมันนะปล่อยให้มันทํางานแล้วมีสติเรียนรู้ความจริงของมันไปนี่เรียกงเลือกเจริญปัญญาอยู่นะถ้ามันแอบไปทํางานโดยเราไม่รู้เท่าทันเรียกว่าฟุ้งซ่านอยู่งั้นเราค่อยฝึกเอาไม่ยากหรอกอย่างเวลาเราฟุ้งซ่านอ่ะนะคะแล้วพอเรารู้ขึ้นมา จิตที่ฟุ้งซ่านดับไปจิตที่รู้เกิดขึ้นมาใช่ไหมคะอันนั้นก็คือแสดงว่าเราเห็นไตรลักษณ์แล้วคร <30 S 1> าวนี้การเห็นไตรลักษณ์นี่จะต้องเห็นพร้อมกันทั้ง ท, ท, งทุกขัง อ, อนิจจัง อ, อนัตตาไหมเจ้าคะไม่ต้องนะเห็นอันเดียวก็พอละอย่างเวลาจะบรรลุพระอรหันต์นะเห็นอันเดียวนะเห็นอันเดียวบางท่านท่านก็เห็นในมุมของอนิจจังจิตก็ปล่อยวางบางท่านเห็นมุมของทุกขังจิตก็ปล่อยวางบางท่านเห็นมุม อ, อนัตตาจิตก็ปล่อยวางไม่เหมือนกันหรอก แต่เวลาที่เราปฏิบัติเนี่ยเราไม่เลือกมุมอันนี้สําคัญนะเราดูของจริงลงไปเลยมันจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นมุมไหนก็ช่างมันเถิดเราอย่าไปเลือกไม่ใช่ฉันจะดูแต่ออนิจจังหรือฉันจะดูแต่อนัตตาอันนั้นไม่ได้ของปลอมแต่เวลาที่จิตมันแจ้งมันแจ้งมุมเดียวมันแจ้งของเขาเองเราไม่ได้เลือกเราก็มีหน้าที่แค่ดูเห็นทุกอย่างมาแล้วก็ไปทุกอย่างมาแล้วไปเราดูแค่นี้เอง ส่วนความเข้าใจว่าเขาจะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นจิตเขาเข้าใจของเขาเองนะมีคําถามฝากไว้ว่ามีข้อสังเกตยังไงครับว่าเวลาที่เราภาวนาเราปฏิบัติอยู่กับตัวเองเนี่ยยังไงถึงจะเป็นการบ่งบอกว่าเราปฏิบัติไม่ถูกต้องอยู่หรือว่าจะต้องทํำยังไงอย่างเช่นปฏิบัติแล้วมันเครียดมันอึดอัดเนี่ยต้องทำต้องแก้ยังไงก็ดูเอานะสุดตรงไปสู่ สองฝั่งนั่นะเองนะเห็นในหนังสือเล่มหลังเนี่ยก็มีแต่เรื่องไอ้สองข้างเนี้ยไปหาอ่านเอาก็แล้วกัน <c oughs> นะคือถ้าตัวสำคัญมากเลยนะที่ช่วยเราได้คือโยนิโสมนัสิการความแยบคายในการสังเกตตนเองตัวนี้จำเป็นมากเลยบางคนไม่มีโยนะิโสมนัสิการนีภาวนามไม่ได้ดีหรอกหรือไม่ก็ง่องงายไปเลยนะเชื่ออาจารย์แล้วก็เชื่ออาจจะหลงตามอาจารย์ไปเลยก็ได้ ตัวโยนิโสมนัสิการนี้มีความแยบใครในการสังเกตในการพิจารณาสิ่งที่ปฏิบัติอยู่ว่ามันนอกลู่นอกทางหรือเปล่ามันสุดโตงไปข้างย่อหย่อนหรือสุดโตไปข้างตึงเครียดเกินไปไหมสังเกตเอาแล้วก็สวัดผลของตัวเองเป็นช่วงๆไปนะว่าศีลสมาธิปัญญาของเราดีขึ้นไหมกุศล น, นะครอบงำจิตได้น้อยลงไหมกุศลเจริญขึ้นไหมต้องคอยวัดตัวเองอยู่เป็นช่วงๆนะแต่ไม่ได้วัดรายวัน บางวันเราก็จิตมันก็ดีบางวันจิตมันไม่ดีไม่เป็นไรนะแต่ดูช่วงไตรมาสหนึงเนี้ยเราจะเห็นนะยังมีความเปลี่ยนแปลงศีลสมาธิปัญญามันควรจะดีขึ้นไม่ใช่ไม่ดีไม่ควรจะเท่าเดิมด้วยถ้าเท่าเดิมก็ถือว่าล้มเหลวแล้วพระพุทธเจ้าท่านบอกท่านไม่สรรเสริญคุณงามความดีที่หยุดนิ่งอยู่กับที่แต่ดูรายวันไม่ได้นะดูรายวันแล้วงงบางวันจะภาวนาดีบางวันภาวนาไม่ดีเราจะมองภาพรวม ทำตอนนิดนึงครับเมื่อกี้หลวงพ่อพูดถึงโยนิโสมนสิกานนี่มีความสงสัยว่าแล้วอยู่ๆมันมาจากไหนครับมาไม่ได้ดอกต้องเรียนนะต้องฟังธรรมของพระพุทธเจ้าก่อนต้องอ่านนะอ่านพระไตรปิฎกอะไรจนเรารู้หลักของการปฏิบัติก่อนพอเรารู้หลักแล้วว่าหลักที่ถูกต้องที่พระพุทธเจ้าสอนนี่เป็นยังไงเราถึงจะไปดูได้ว่าตอนที่เราทําอยู่เนี่ยมันเข้าหลักไหมนะถ้าโอมันสอดคล้องกับหลักเนี่ยเรามีโยนิโสมแล้ว หรือมันผิดจากหลักอย่างนี้เรียกว่ามีโยนิโสแล้วท่า น, นึกเอาเองไม่เรได้ยโยนิโสมานาัสิการโมเมเอเองไม่ได้หรอธรรมะพวกเรารู้ด้วยตนเองไม่ได้นะเราไม่ใช่ภูมิของพระพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือปัจเจกพุทธเจ้ามีสองภูมิเท่านั้นนะที่ท่านรู้ด้วยตนเองอย่างของเราต้องเรียนว่าท่านสอนหลักไว้ยังไงอย่างบางทีเราก็ได้ยินนะบางคนก็สอนกันว่าจิตเที่ยงนี่สอนอย่างนี้ว่าจิตเที่ยงนะ จิตไม่เที่ยงได้ยังไงจิตเกิดดับได้งไงจิตต้องเที่ยงนสอนอย่างนี้ถ้าเราเคยได้ยินพระพุทธเจ้าหรือเคยอ่านนะพระเจ้าสอนเ่ยจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนจิตไม่เที่ยงหรือท่านถามปัญจวัคคีย์ใช่ไหวิญญาณใช่เที่ยงหรือไม่เที่ยงวิญญาณกับจิตคือถ้าเคยรู้หลักที่พระพุทธเจ้าสอนแล้วนะ ถึงจะมีโยนิโสมนัสิการมันตัดสินได้ว่าไหนถูกอันไหนผิดเมื่ะนั้นก็มั่วไปเรื่อยอาศัยศรัทธาเชื่อๆชื่อเอาตายเท่านั้นเองอย่าเชื่ออาจารย์นะต้องเรียนหลักของการปฏิบัติให้แม่นๆ น, ะนะหลักจริงๆอยู่ในหลักกรอบใหญ่ที่สุดเลยคือเรื่องอริยสัจจะครอบคลุมธรรมทั้งหมดเอาไว้ในอริยสัจ เรา ล, ง, ลงมาที่ต้องเรียนนะเรื่องสติปัฏฐานควรจะเรียนนะเรื่องขันห้าเป็นยังไงควรจะต้องเรียนเรื่องไตรลักษณ์เป็นยังไงควรจะต้องเรียนอย่างบางคนว่านิพพานเป็นอัตต า, านพรนะพุทธเจ้าไม่ได้บอกอย่างนั้นงั้นเราภาวนาไปเรารู้สึกว่ามันเป็นอัตตาขึ้นมาถ้าเรามีโยนิโสมนัสิการเราก็รู้ไม่ตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนแสดงว่าภาวนาผิด เดี๋ยวนี้หนักข้อกันนะไม่ตรงกับที่เราเห็นสแสดงว่าพระพุทธเจ้าสอนผิดร้อนแนมันเก่งขนาดนั้นได้มันจะหนักข้อไปหน่อยค่ะอย่างเรื่องสติปัฏฐานเนี่ยนะคะอย่างบางคนเนี่ยจิตฟุง้งซ่านไม่ยอมไม่ยอม ม, ยอมีวิหารธรรมไม่ว่าจะอยู่กับกายหรืออะไรแต่ว่าจะสามารถรู้ในขณะปัจจุบันอันนั้นได้ว่าตอนนี้รู้กายตอนนี้รู้ สภาวะธรรมทางใจที่เปลี่ยนแปลงไปหรือว่าอาจจะคิดตรึกนึกถึงหัวข้อธรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะใช้ได้ไหมคะคือแทนที่พุโทโธพุดโธจิตมันไม่ยอมอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพุดโธจิตไม่ยอมเพราะหายัางอื่นให้จิตมันยอมนะคื อ, อยังไงก็ต้องมีจิตที่อยู่กับเนื้อกับตัวถ้าจิตมันฟุ้งไปเรื่อยถึงไปคิดธรรมะเป็นความฟุ้งซ่านในธรรมะนะต้องให้จิตตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวให้จิตถอนตัวออกจากโลกของความคิดโลกของความปรุงแต่งมาอยู่ในโลกของความรู้สึกตัว มันจะถอนตัวเหมือนคนดูฟุตบอลนะถอยขึ้นมาอยู่บนหน้าตาจานเห็นนักฟุตบอลวิ่งอยู่ น, นั่นหรือเห็นเขาแข่งเรือกันในแม่น้ําเราอยู่บนบกไม่โดดลงน้ำนะถ้าจิตมันถอนตัวจิตมันตั้งมั่นแยกตัวออกมาได้ก็เห็นทุกสิ่งทุกอย่างเคลื่อนไหวไปมาสักว่ารู้ว่าเห็นอย่างนี้ถึงจะเดินปัญญาต่อได้นะแต่ถ้าจิตเราฟุงฟ้งฟุ้งแล้วเราจับอะไรไม่ถูกเลยนะเดี๋ยววกแวกไปเ ร, นนเรื่องนั่นเรื่องนี้ดูไม่ได้จริงหรอก อย่างน้อยต้องมีสมาธิรองรับนะจิตต้องตั้งมั่นจะตั้งได้ชั่วขณะก็ยังดีตั้งได้ชั่วขณะก็เรียกคณิกะสมาธินะอย่างใจไหลแวบแล้วรู้สึกขึ้นมาแล้วตรงที่รู้สึกขึ้นมาแล้วเกิดเห็นร่างกายสติเกิดระลุรู้ร่างกายปุ๊บนี่เห็นร่างกายไม่ใช่เรานี่ย ไ, ได้เห็นได้แวบเดียวแค่นี้ก็ยังดีใช้ได้ขนาดนี้แต่ถ้าจิตไม่ได้ตั้งมั่นเลยแล้วไปพิจารณา ก, กายไปคิดหัวข้อธรรมะอันนี้เป็นความฟุ้งซ่าน งั้นต้องใช้หลักที่หลวงพ่อพุทธท่านบอกที่เล่าให้ฟังตะกี้นะ ใ, นใจเราต้องมีสมาธิหนุนหลังคือมันต้องตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมามันถึงจะเกิดปัญญาถ้าจิตไม่มีสมาธิรองรับเนี่ยจะไม่มีปัญญาสมาธิคือความตั้งมั่นไม่ใช่ความสงบอย่างเดียวในอภิธรรมท่านก็สอนนะบอกว่าสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญานะ ถ้าขาดสมาธิคือขาดความตั้งมั่นของจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้ดูเห็นปรากฏการของรูปธรรมนามาทำเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเนี่ยถ้าไม่มีจิตตัวนี้ก็เดินปัญญาไม่ได้ถามต่อเนื่องนิดนึงนะคะอย่างเวลาที่เราปฏิบัติไปแล้วเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าเราเกิดปัญญาหรือว่ามันเป็นวิปัสสโนกิเลสนะคะโอ้วิปัสสโนต้องเกิดตอนทําวิปัสนาแล้วนะอยู่ๆพวกเราไม่เกิดวิปัสสโนนะถ้าไม่เคยทําวิปัสนา นี่ฝันสนุเป็นความฟุ้งซ่านของจิตนะอย่างเช่นเราหัดดูจิตดูใจเนี่เดินปัญญาอยู่นะเห็นกิเลสเกิดดับดูไปดูไปจิตของเราตั้งมั่นไม่พอเนี่ยปัญหามันอยู่ที่จิตตั้งมั่นไม่พอสมาธิไม่พอพอจิตตั้งมั่นไม่พออย่างกิเลสเกิดแล้วเราไปดูมันจิตถลำไปดูที่ตัวกิเลสนะกิเลสอาจจะวิ่งหนีออกไปวุบหนีออกไปอยู่ข้างนอกนะแล้วจิตเนี่ยตามออกไปดูพอกิเลสดับปุ๊บมันไม่เข้าบ้านแล้วจิตจะรู้สึกโล่งว่างเลยเนี่ยพระอรหันต์นะว่า กิเลสไม่มีเลยตรงเนี้โล่งไปหมดเลยความจริงจิตอยู่ข้างนอกแนละ้วเนี่ยเพราะจิตไม่เข้าฐานจิตไม่เข้าบ้านจิตไม่ตั้งมั่นวิปัสสนุปกิเลสเนี่ยมีอีกชื่อหนึ่งนะพระอานุนท่านเรียกว่าธรรมมุททัตจะธรรมะอุทัตจะความฟุ้งซ่านในธรรมะนั่นเองมีสิบประการนะมีโอภาสเป็นเบอร์หนึ่งเลยสว่างว่างๆสว่างอยู่พวกเราที่หัดดูจิตดูจิตนะจิตเคลื่อนไปข้างหน้าแล้วไปว่างอยู่ข้างนอกเนี่ยไปติดตัวนี้อยู่ นี่ทำยังไงมีปัจสนูจะหายมีปัจสนูเป็นความฟุ้งซ่านของจิตถ้าจิตตั้งมั่นจิตถึงฐานจิตไม่ออกนอกมีปัจสนูหายทันทีเลยนะงั้นเราตรงที่จิตตั้งมั่นเนี่ยสำคัญมากถึงหลวงพ่อถึงจําจี้จาชฉ่มากว่าพวกเราต้องฝึกให้ได้จิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานซะก่อนงั้นเราไปเดินปัญญาไม่ได้จริงดูได้แวบๆนะั่นเดี๋ยวกลายเป็นมีปัจสนูมีปัจสนูมีหลายเกรดนะมีปัจสนูนิดๆหน่อยๆ อย่างแก้ง่ายบางคนแก้ยากแก้ยากนะมีครูบาอาจารย์ท่านบางทีท่านต้องปล่อยทิ้งเลยก็มีเหมือนกันท่านแก้ไม่ไหวี่มีอยู่คนหนึ่งนะปกติเนี่ยเป็นคนธรรมดานี่เองนะแต่พอพูดธรรมะนะโอ้จะคลุ้มคลั่งพูดธรรมะเราหยุดไม่ได้พูดๆชักแตกแตกแกล ก, กไปเลยนะมีนะหรืออีกคนหนึ่ง ปลื้มได้ยินว่าครูบาอาจารย์จะมาเยี่ยมนะปลื้มนะเอาแบงค์สมัยนั้นไม่มีแบงค์พันนะอาแบงค์ห้าร้อยนะใส่ตะกร้าเดินแจกทั้งตลาดเลยเกระใจนะเตลิดเตลิดเตลิดไปอย่างนี้แหละไม่ดีใจมันไม่อยู่กับเหนือกับตัวนะต้องกลับมาอยู่กับตัวเองให้ได้เลยอย่าให้ใจมันฟุ้งไปครับมีคำถามต่อมาที่ถามเรื่องของการเห็นจิตเกิดดับนะครับ ว่าจะเป็นไตรลักษณ์หรือไม่อะไรอย่เงี้ยนะครับทีนี้บางคนได้ยกตัวอย่างเจาะจงเรื่องว่าไปดูจิตที่โกรธครับบางเอิญเขาบอกว่าเขาไม่เห็นตอนที่มันเริ่มความโกรธเกิดขึ้นมาแต่เขาเห็นตอนที่จิตกําลังโกรธอยู่อย่างนี้ถือว่าใช้ได้ไหมครับใช่ไม้ใช่ไ ด, ได้ถ้าเห็นตอนที่มันเริ่มโกรธความโกรธก็ดับไปแล้วล่ะมันก็ไม่เห็นจิตโกรธเท่าไหร่เห็นแค่ขยับไหวๆอย่างเวลาก่อนที่มันจะโกรธใหญ่ๆนะมันจะไหวๆขึ้นมานะจากกลางหน้าอกนี่แหละ อานะจารย์มหาบัวบอกทำแท้เกิดขึ้นกลางอกนะทำแท้นี่ทั้งกูศนทั้งอกูศลทั้งมรรคทั้งผลนะเกิดขึ้นตรงกลางอกนึ่มันไหวไหวขึ้นมาแล้วก็ต่อมาพอผุดขึ้นมาได้นะสัญญาถึงจไปแปลวันนี้โกรธนะเราั้นตอนแรกๆถ้าเห็นตั้งแต่ไหวๆขึ้นมายังไม่ทันจะโกรธขึ้นมานนั้นก็ดับไปแล้วมันก็ไม่เห็นความโกรธแล้วเห็นแค่ว่าสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นดับไปแต่ไม่รู้ว่คืออะไรไม่รู้ว่ากูศลหรืออกูศนด้วยซ้ําไป แต่ถ้าภาวนาจนจิตสติไวจริงๆนะจะเห็นแค่นั้นอ่ะเห็นแค่ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปไม่รู้ว่าคืออะไรนะแล้วจําเป็นไหมครับว่าต้องเห็นตอนที่มันดับไปต่อหน้าต่อตาเลยมันเห็นเองนะนะพูดว่าจําเป็นเดี๋ยวก็อยากเห็นที่จริงจําเป็นต่วนมากอย่างหัดแรกๆไม่เห็นหรอกเห็นว่าโกรธอยู่แล้วก็เผลอไปแวบหนึ่งให้มันหายไปแล้วไม่เห็นตอนมันหาย แต่ถ้าสติดีนะพอโกรธขึ้นมาปุ๊บสติรู้ปับ๊บขาดสะบั้นต่อหน้าเลยนะั้นเราก็จะแบงๆจิตจะว่างๆอยู่นิดหนึ่งเดี๋ยวอารมณ์อื่นก็ให้ขึ้นมาใหม่เพราะนั้นจิตแต่ละดวงแต่ละดวงให้จะขาดออกจากกันไม่ใช่ดวงเดียวกันนะถ้าเห็นได้อย่างนี้เรื่องสันตติขาดถ้าสันตติขาดจะเห็นไม่มีตัวมี ต, มตนหรอกมีแต่ของที่เกิดขึ้นชั่วขณะแล้วก็หายไปฝึกนะไม่ยากฟังแล้วเหมือนยาก แต่ไม่ยากหรอกให้จิตใจยอยู่กับเนื้อกับตัวรักษาศี่น่าห้าไว้ให้จิตใจยอยู่กับเนื้อกับตัวนะก็จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วดูกายเขาทางานดูใจเขาทํางานอย่ารู้ตัวอยู่เฉยๆแค่นั้นเองง่ายง่ายจริงๆไม่ได้หลอกหรอกนะแล้วสําหรับมือใหม่ที่เวล า, าฝึกไปเนี่ยคะ่ะตอนมีสติรู้เนี่ยก็จะภาคไปอยู่จะจะพาคไปอยู่เรื่อยๆอย่างนี้ค่ะผิดไหมคะไม่ผิดหรอกห้ามไม่ได้นะ แต่ว่าตอนที่จิตมันภาคนะก็แค่รู้เห็นว่ามันภาคได้เองนะเดินปัญญาไปเลยนี่เองพูดได้เองเองไม่ใช่ข่าหรอกข้าไม่ได้พูดเองพูดนะดูไปเลยอย่าไปกลัวมันแต่ว่าตราบใดที่มันยังพูดอยู่นะยังไม่เจอของจริงเจ้าคุณหนอรบอกของจริงนิ่งเป็นใบของพูดได้ไม่ใช่ของจริงท่านเจ้าคุณหนอสอนเก่งนั้นในสภาวะธรรมที่จะแตกจะหักกันนะไม่มีคําพูดหรอก เห็นแต่ความปรุงแต่งแต่ไม่มีคำพูดนะเนอะมีคำถามสำหรับมือใหม่หน่อยหนึ่งนะครับเขาก็กังวลว่าในชีวิตประจำวันของคนเมืองเนี่ยอยู่กับครอบครัวอยู่กับที่ทำงานอยู่กับท้องถนนอะไรเงี้ยนะครับมันเกิดกิเลสอยู่ทั้งวันนะครับเดี๋ยวก็โกรธเดีเ๋ยวก็หงุดหงิดทีนี้หลวงพ่อบอกว่าโกรธรู้ว่าโกรธ แต่บางทียิ่งยิ่งรู้ก็ยิ่งโกรธเก็บอารมณ์ไม่อยู่มันต้องผิดศีลอย่างเงี้ย<อ>จะทํำยังไงดีหลวงพ่ อ, อต้องตั้งใจรักษาศีลไว้ก่อนนะคล้ายๆโปรแกรมตัวเองไว้ก่อนทุกวันเตือนตัวเองเลยตื่นนอนขึ้นมาก็ตั้งใจเลยเราจะรักษาศีลห้าจะออกจากบ้านก็ตั้งใจเราจะรักษาศีลห้าจะกินข้าวของวันก็ตั้งใจเราจะรักษาศีลห้าตั้งใจเวลาหล า, หลายรอบเลยคอยบอกตัวเองเรื่อยๆนะถัดจากนั้นเวลาเราเดินปัญญาจริงเลยจะไม่บังคับตัวเอง เราจะปล่อยให้ให้จิตมันทํางานเราฉะั้นมันจะโกรธง่ายโกรธขึ้นมาอยากให้ผิดศีลห้าก็ใช้ได้แล้วแล้วมีสติรู้เอาก็จะเห็นเลยความโกรธเป็นสภาวะอันหนึ่งนะจิตไปรู้เข้าไม่ใช่ตัวเราจะไปห้ามมันไม่ให้โกรธก็ไม่ได้หรอกความโกรธมันเกิดจากเราไม่ได้อย่างที่อยากอย่างอยากให้จิตมันดีแล้วมันไม่ดีก็มโมโหนะจิตจิตมันโกรธขึ้นมาเราอยากให้หายโกรธนะแล้วมันไม่หายแล้วก็โ ม, โมโหมันอีกลกลายเป็นโกรธซ้อนโกรธไปเรื่อยๆ ไม่ยากหรอกนะพูดจริงๆนะอย่างอย่างบางคนนะคะออบอกว่ารู้สึกว่าพอปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าตัวเองเร็วขึ้นเร็วลงหรือเร็วขึ้น <c oughs> มาทําไมถึงเป็นอย่างนั้นนะคะเมื่อก่อนมันเร็วแต่มันไม่รู้นะพอมาปฏิบัตินะเราดูตัวเองฉีกหน้า ก, กักตัวเองเรารู้ทันตัวเองรู้เลยอุ้ยเร็วจริงเร็วกว่าที่นึกไว้แต่เดิมนึกว่าเราเป็นพ่อพระแม่พระนะ พี่แท้เป็นนังแม่มดพ่อมดหรอกงั้นมาหัดดูตัวจริงนะมาอย่าใส่หน้ากากหลอกตัวเองหลอกคนอื่นภาวนาจะดีต้องซื่ อ, อมีองค์ธรรมของผู้ปฏิบัตินะที่พระเจ้าท่านแยกแยะไว้มีตัวหนึ่งก็คือซื่ อ, อต้องซื่อในการปฏิบัตินะใส่หน้ากา ก, ากอยู่ภาวนายากหมดแล้วหรือเออถามอย่างนี้ก็ดีมกันเนาะไม่เหนื่อย อีกอันนึงก็แล้วกันนะครับบางท่านบอกว่าถ้าปฏิบัติไปแล้วจิตมันเกิดความนิ่ ง, ง, งๆเฉยๆอยู่ทั้งวันมไม่เห็นไม่เห็นใจรักไม่เห็นอะไรเกิดดับเนี้มันจะต้องปล่อยเป็นอย่างนี้หรือว่าจะทํำยังไงเพื่อจะแก้ยอ้นยอนมาดูกายเลยย้อนมาดูกายย้อนมาดูใจจะไปเอานิ่งเรื่องอะไรเราภาวนาไปเอานิ่งเอาว่างจิตไปหลงในความนิ่งความว่างก็จิตติดพบอันหนึงท่านนั้นเองพบของอรูป นิ่งๆว่างๆพระสิอานตรัสรู้มานะเราปวติดพบนิ่งๆว่างๆตายแล้วเป็นอรู ป, ปรพรหมพระสียานตรัสรู้มาแล้วก็อุทานเลยนึกถึงเราอยากจะสอนเราแล้วอุทานว่าพราดจากคุณอันใหญ่นี่พูดเป็นทางการนะแต่นี้พูดในสถาบัานการศึกษาแล้วก็พูดภาษาพระไตรปิฎกว่าพราดจากคุณอันใหญ่คือพลาดจากมรรคผลนะงั้นอย่ า, ยาให้จิตไปติดนิ่งติดเฉยนะ ต้องดูกายดูใจทํางานไปเรื่อยแต่ถ้าดูจิตใจได้ดูจิตทํางานได้ดูจิตไปเลยกูสนเกิดที่จิตอักกูสนเกิดที่จิตมรรคผลเกิดที่จิตเรียนเข้ามาถึงจิตถึงใจได้ดีที่สุดเลยแต่ถ้าไม่มีแรงจะดูจิตมาดูกายเห็นกายหายใจออกเห็นกายหายใจเข้าไม่ใช่เราหายใจออกไม่ใช่เราหายใจเข้านี่ถ้าแรงตกไปอีกนะดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ด ก, ก็ <c oughs> ทําสมถะพุทโธไปหายใจไปนะ คิดถึงพระพุทธเจ้าไปพอจิตใจสงบมีเรี่ยวมีแรงก็กลับมาดูกายดูใจอย่าให้จิตติดว่างนะไม่ดีไม่ดีอย่างยิ่งเลยจิตติดในความว่างบางคนบอกว่าหลวงปู่ดูลสอนให้ดูจิตสอนให้จิตไปว่างอ้างคําสอนของหลวงปู่ดูลนะบอกว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างอันนั้นเป็นปลายทางหอก คือคําสอนของครูบาอาจารย์เวลาครูบาอาจารย์สอนนะบางทีท่านก็สอนต้นทางบางทีก็สอนกลางทางบางทีก็สอนปลายทางเราจะบอกว่าหลวงปู่ดูลสอนให้ดูจิตยังไงก็ถูกเหมือนกันหมดท่านก็สอนไว้ทุกกันแต่มันทำมากคนละระดับกันนะอย่างบางคนบอกว่าหลวงปู่ดูลสอนดูจิตแนละ้วให้พุทโธไปความคิดเกิดให้ปัดทิง้งความคิดเกิดให้ปัดทิง้งอย่าไปคิดอย่าไปนึกท่านก็สอนอย่างนั้นสอนให้ดูจิตสําหรับคนซึ่งไม่มีสมถะ นะทดูจิตแบบนั้นเราได้สมถะในขั้นเดินปัญญาท่านไม่ให้ไปรักษาไว้ท่านให้ดูเลยสังขารมันปรุงสัญญามันปรุงสังขารมันปรุงเวทนามันปรุงจิตมันปรุงเห็นแต่ความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเกิดดับจิตเป็ น, ป น, ป น, ป น, ปนผู้รู้ผู้ดูไปอย่างนี้เดินปัญญาทำวิปัสสนาอยู่พอดูจิตนะขั้นสุดท้ายเลยจิตละลรหรันว่างสว่างบริสุทธ หยุดความปรุงแต่งหยุดการสแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างไอ้นั่นเปนปลายทางของพระอรหันต์ไม่ใช่ของเรานะนอย่างบางคนบอกหลวงปู่ดูลสอนดูจิตว่าอย่างนี้บางคนว่าอย่างนี้เนี่ยไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันไม่แปลกเพราะท่านสอนคนละคนคนละขั้นคนละตอนของการปฏิบัติฟังแล้วเราต้องรู้เอาเองนะว่าคําสอนอันนี้อยู่ในธรรมะระดับไหนคนไม่มีศีลท่านสอนให้มีศีล คนไม่มีสมาธิสอนมีสมาธิคนไม่ตั้งมั่นสอนให้ตั้งมั่นคนเดินปัญญาไม่เป็นสอนให้เดินปัญญาอย่างนี้งั้นบางทีฟังธรรมมแล้วสับสนกระทั่งอ่านพระไตรปิฎกนะพระพุทธเจ้าเดี๋ยวก็เทศอย่างโน้นเดี๋ยวก็เทศอย่างนี้บางทีขัดกันเองอีกว่าเอ๊ะทำไมพระพุทธเจ้าสอนขัดกันเองอย่างสอนบอกอัตตาหีอ ah ัตโนนาโถมีอัตตานี่ใช่ไหมแล้วอีกทีหนึ่งบอกอนัตตาเอาอยัางไงเอาใจไม่ถูกเนาะ ล้ำจิ้ไม่ใช่อะไรโง่เองอ่ะท่านสอนคนระดับนี้ท่านก็สอนอย่างนี้สอนอีกระดับหนึ่งทํามา่ก็ไปอีกแบบหนึ่งนะงั้นอย่างจะบอกหลวงปูดูลสอนดูจิตยังไงก็สอนไว้ทุกอย่างนั่นแหละแต่แต่ละอย่างให้ผลไม่เหมือนกันหรอกบางอย่างก็ได้แต่สมถะบางอย่างก็ขึ้นวิปัสสนาอย่างประคองจิตให้นิ่งให้ว่างนี่เรื่องของสมถะนะบอกว่าหลวงปูดูลสอนให้ประคองจิตให้นิ่งให้ว่างลูกพ่อแหล่ไปประคองให้นิ่งให้ว่างโดนท่านจวกเอา ท่านบอกว่าท่นไปแทกแซงจิตก็ปล่อยให้มันทำงานนะหลวงปู่มั่นสอนหลวงปู่ดุลก็สอนให้ดูสังขารดูความปรุงของจิตไม่ให้ไปดูตัวจิตเนี่ยท่านดูคนมาอย่างนี้เนี่ยขั้นวิปัสสนาไม่ใช่ขั้นสมถะแล้วก็ไม่ใช่ไปเอาว่างบนซะหน่อยชอบอ้างหลวงปู่ดุลงตอนหลังๆนะอ้างละมั่วจบแล้วเหรอทำไมถามง่ายจัง น่าดูดีรายการนี้นะมีคลานเกลื้อนพอพอดีรายการนี้นี่เราได้อัดดีวดีไว้ด้วยอะค่ะแล้วก็ทาจะทำหนังสือแจกที่หลังนะคะก็อยากจะเหมือนกับเป็นคำถามที่คนที่จะเริ่มปฏิบัติหรือว่าคนที่ปฏิบัติแล้วติดสงสัยอยู่ในบางข้อจะได้จะได้พ้นจากอนุบาลไปอยู่ปฐมอะค่ะ โอขั้นอนุบาลของการภาวนานะรู้สึกตัวดูกายดูใจนะขั้นประถมขั้นมัธยมขั้นอุดมก็คือรู้สึกตัวดูกายดูใจมีขั้นเดียวแหละ <c oughs> ลงปัจจุบันไปด้วยนะแจ้งขึ้นเมื่อไหรก็วางเมื่ น, นั้นจบยังสรุปส่งท้ายเจ้าค่ะเหรอลักษาศีลห้าไว้รู้สึกตัวบ่อยๆนะแล้วดูกายดูใจทํางานมากคนที่พ่านไม่ไปไหนหรอก พุทธเจ้าเคยสอนะว่าใครจเจริญสติปัฏฐาน4นะเจ็ดวันเจ็ดเดือน7ปีนะไม่ใช่พระอราหันต์ก็พระอนาคาถถ้าเราบารมีไม่ถึงนะั้นได้โสดาภะยังดีนะอยู่ที่เราทำหรือเปล่าธรรมะของท่านอย่างสมบูรณ์เต็มเปี่ยมไม่ขาดตกบกพร่องอยู่ที่เราเรียนให้รู้เรื่องแล้วก็ลงมือทำให้สมควรแก่ําเท่านัน้นเองไม่ใช่นับเวลานะแต่ว่าทาวันละนิดหน่อยนลงวันหนึ่งเยอะ แล้วบอกเนี่ยทํามาเจ็ดปีแล้วไม่บรรลุสติทุกรวมเวลาแล้วได้สามชั่วโมงหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนั่นะทําให้สมควรแก่ทำนะธรรมะยังไม่หนีไปไหนแล้วเราจะได้รู้รว่าอัศจ ร, รัปอัศจรรย์เหือเกินพระพุทธเจ้าอัศจรรย์จริงๆพระธรรมอัศจรรย์จริงๆนะพระสงฆ์ไม่มีอะไรเหมือนเลยครับ โอกาสสุดท้ายนี้ก็จะขอเป็นตัวแทนทุกท่านกล่าวถวายทานที่มีผู้นำมาถวายนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายประจัยทายาทและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ประโมทปราโมทโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์สุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาลนานเพิน ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนตีสาคารังเอวเมวะอโตตินังเปตาณังอุปกปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปะเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตูสังฆปาจันโทปนรโสยถามณีโชติรโสยะถาสัพพิีโยวิวัตชันตูสัพโรโควินัสตูมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะ อาภิวาทนาสีลิสนิจังวุทธาปัจจายิโนจัตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุ ข, ขังพระลังหลวงพ่ออนุโมทนากับมหาวิรัยนะสุขโขทัยกับทีมงานช่วยกันจัดงานนี้ขึ้นมาไม่เก็บค่าใช้ใจ่ายพวกเราด้วยนะธรรมะต้องได้รับการรักษาสืบทอดไปนะ หน้าที่ของชาวพุทธาศาสนาของเรารอดได้เต็มทีแล้วเรามีแต่พุทธแต่ชื่อนะพุทธแต่ทะเบียนบ้านนะไม่มีศีลมีธรรมบ้านเมืองไม่มีศีลมีธรรมร้อนทุกข์ยอมยากเราไปเปลี่ยนสังคมใหญ่ยังไม่ได้เราเปลี่ยนตัวเราเองก่อนเปลี่ยนสังคมย่อยๆในบ้านเราพัฒนาตัวเองขึ้นมาแล้วในบ้านเราร่มเย็นเป็นสุขต่อไปในที่ทํางานเราร่มเย็นเป็นสุข นะแผ่ความร่มเย็นแผ่ความสว่างค่อยๆกระจายออกไปเรามันคนตัวเล็กตัวน้อยนะไม่ได้มีอิทธิพลมีอำนาจอะไรทำได้ใหญ่โตนะพัฒนาตัวเองพัฒนาคนรอบๆตัวเรานะอยู่ไปท่ามกลางความเลวร้อนนี้แหละอยู่กับมันให้ได้นะอยู่ด้วยสติด้วยปัญญานะโลกนี้ทุกขนะไม่ดีดีวิเศษเออกทางพ้นทุกข์ก็มีอยู่แล้วนะอยู่ที่ทำเอานะไปแล้วนะเดี๋ยวต้องไปเทศต่ออีกวัดหนึ่ง